จเจริญพรทุกๆ ท, ท่านพวกเราเป็นไงไม่เจอกันหลายเดือนได้ภาวนาไหมหลวงพ่อไปที่อเมริกานะเเห็นคนไทยส่วนมากคนไทยไปเรียนฝรั่งมีบ้างแต่ไม่มากอะเทรวาสเราไปขยายกับฝรั่งเนะี่ยลำบากสู้ทางมหายานเขาไม่ได้พวกที่เบทพวกเซนพวกอะไรนะ คือเข้ากลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆง่ายเทราว่าเราค่อนข้างรีจิตไปส่วนมากก็แค่คนไทยไปเรียนฝรั่งมารับยากนี่เรไปเมืองจีนนะกลับข้างกันเมืองจีนเนี่ยคนเขากำลังหิวธรร ม, มะเขาต้องการธรร ม, มะตอนนี้เขารวยขึ้นแล้วเขาก็อยากได้ธรร ม, มะ เขาบอกว่าในเมืองจีนมันไม่มีคนที่จะสอนกรรมฐานวัดต่างๆก็เป็นบริษัทเป็นธุรกิจต้องหาเงินหาอะไรพวกนักธุรกิจไปซื้อวัดไ้แล้วก็เข้าไปจัดการทําเป็นโรงแรมทาเป็นรีสอร์ทอะไรเงี้ยแล้วจัดกิจกรรมให้คนไปไหว้พระเสียงเสียมซีอะไรประเภทนั้นคนที่ต้องการธรรมะแท้ๆเนี่ยเขาขาด อย่างร้ายแรงเลยหลวงพ่อไปเทศให้เขาสามวันนะวันแรกเขาเข้าคอร์สกันมาก่อนแล้วเขามาทำจังหวะอยู่สี่วันไปถึงที่เขาสอนกันเย็นวันที่สี่ของเขาโอ้โหมืดตืดๆเลยทุกคน ดูแล้วยังบอกกับครูบาอาเลยจะสอนไหวเปล่าวะเนี่ยถ้าทางไม่ไม่ไหวเลยอีกวันหนึ่งตอนเช้าหลวงพ่อไปสอ น, นะพอเริ่มสอนนล้วเขาก็เริ่มตื่นแป๊บเดียวนะประมาณชั่วโมงหนึ่งสอนเขาก็เริ่มตื่นกันเกือบหมดละภาว่าแห่งความตื่นคือจริงๆเขามีธาตุที่ดีอยู่แล้วเขาสนใจธรรมะแต่เขาไม่ได้ฟังธรรมะ ได้ยินแต่ว่าให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติแล้วก็ไปเพ่งเพ่งเพ่งจนซึมไปหมดเลยส่วนหลวงพ่อไปก็อธิบายให้เขาฟังว่าการปฏิบัตินะต้องไม่สุดโต่งไปสองข้างถ้าสุดโต่งไปข้างย่อหย่อนตามใจกิเลสเวลาเราขาดสติจิตใจมันจะย่อหย่อนจะไหลาตามกิเลสไปลืมตัวเอง ว่าแต่ไปดูรูปแล้วก็ลืมตัวเองว่าแต่ไปฟังเสียงแล้วลืมตัวเองไปดมกลิ่นไปริมรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะไปรู้เรื่องทางใจนะก็ลืมตัวเองที่ทําอะไรก็ลืมตัวเองหมดเมื่อไร่ลืมกายเมื่อไรลืมใจนะเมื่อนั้นย่อหย่อนเกินไปลนะ้ตามใจกิเลสความสุดต่งอีกข้างหนึ่งก็คือการเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เนะี่ยเริ่มต้นนะจะต้องเพ่งก่อนนะโดยอัตโนมัติเลย เพราะว่าถ้าไม่จ้องเอาไว้เลยนะจิตใจมันล่องลอยมาแต่ไหนแต่ไรมันจะหนีไปเขาพยายามจะมารู้สึกที่กายรู้สึกที่ใจตรงที่พยายามจะรู้ให้ได้ตลอดเวลานี่มันกลายเป็นถล่มเข้าไปจ้องถล่มเข้าไปเพ่งเวลาที่จิตมันเข้าไปจับอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานเนี่ยไปจับพุโทโธไปจับลมหายใจไปจับท้องพองยุบนะไปจับจังหวะการเคลื่อนไหวมือไปจับท่าเดินจงกรมอะไรพวกนี้สติมี สติถ้าไปจาะเข้าไปที่ตัวอารมณ์ไปจาะอารมณ์หายใจที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรพวกนี้แต่จิตนั้นมันไหลตามสติเข้าไปด้วยไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ด้วยมันแนบเข้าไปในตัวอารมณ์ถ้ามันแนบอย่างนุ่มนวล น, นะก็ได้สมถะถ้าไปฝืนบังคับให้มันแนบแนละ้กลายเป็นเพงเครียดทั้งกายเครียดทั้งใจเพราะฉะนั้นเวลาที่พวกเราหัดใหม่ๆพอลงมือปฏิบัตินะยังไงก็เครียด พอเริ่มปฏิบัติเราคิดคำว่าปฏิบัตินะคำว่าปฏิบัตินี่มันหลอกหลอนเราเพราะคนไทยแปลคําว่าปฏิบัติเป็ว่าธทำเราคิดถึงการปฏิบัติทำก็ ค, คิดว่าจะต้องทําอย่างไรจะทําอะไรบ้างจะทําอย่างไรบ้างนะแล้วทําไปพอทําก็หวังผลของการกระทำปรากฏว่าตรงที่จงใจทําเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิบัติแล้วการปฏิบัติจริงๆต้อใช้คําว่าภาวนานะภาวนาคือจเจริญ จเจริญอะไรจะเจริญสติจเจริญปัญญาเบื้องต้นจเจริญสติค่อยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใ จ, จะรู้มากเข้าแต่รู้ด้วยจิตที่ตั้งมัน่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางมันก็จะเกิดปัญญาสะสมไปเรื่อยมันจะเริ่มเห็นความจริงร่างกายที่สติไประลึกรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราเป็นอะไรเป็นก้อนทุกข์เป็นก้อนธาตุ จิตใจต่างๆนะความรู้สึกนึกคิดต่างๆในจิตใจที่สติไปรู้เข้าเป็นไรไม่ใช่ตัวเราอีกนะเป็นแค่สภาวะของนามธรรมชนิดต่างๆล้วนแต่ของไม่เที่ยงอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายรลภโกรธหลงอยู่ชั่วคราวก็หายะไม่จําเป็นต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะมันหายโดยตัวของมันเองแล้วเพราะมันไม่เที่ยง และการที่ดูนามธรรมในใจก็จะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ว่าจงมีความสุขสั่งไม่ได้ว่าห้ามมีความทุกข์สั่งมันไม่ฟังนะสั่งให้สุขมันก็ไม่สุขนะห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์อยู่สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีนะอย่างตั้งใจว่าจะไม่โกรธก็โกรธใช่ไหมใครเคยตั้งใจจะไม่โกรธมีไหมหรือตั้งใจว่าจะไม่โลภต่อไปนี้จะประหยัดนะหรือตั้งใจว่าจะไดเอทต่อไปนี้จะกินน้อ ย, น, อยนะ คำที่1รู้สึกตัวคำที่สองรู้สึกตัวเผลอพูดเดียวสามจานเลยนะออจิตมันจะไปอย่างรวดเร็วเลยนะไม่ค่อยมีหรอกใจมันหลงตลอดนะต้องพยายามรู้สึกตัวนะงั้นงานแรกที่พวกเราต้องทําให้ได้นะรู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรียกว่าเรามีสติแล้วมีสมาธิแล้วคาว่าจิตที่รู้สึกตัวหรือหลวงพ่อใช้คือจิตที่รู้สึกตัวจิตที่ตื่นเลยเนี่ยมันประกอบด้วยสมาธินะ ประกอบด้วยสติสมาธิที่ถูกต้องเนะีคือจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยเรียกว่ามีสมาธิพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็ไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆต้องอาศัยสติเป็นเครื่องมือนะไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเห็นกายเป็นเคลื่อนไหวเห็นใจเป็นเคลื่อนไหวรู้อย่างที่เขาเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเขาดังนั้นมีสติไปรู้กายรู้ใจนะดูเขาทํางานไปตามที่เขาเป็นหลวงพ่อถึงใช้คําว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง แต่รู้ได้จิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางก็ต้องฝึกถึงจะเกิดสติที่แท้จริงก็ต้องฝึกถึงจะเกิดไม่มีอะไรที่ลอยๆอยมาทุกอย่างมีเหตุทั้งหมดเลยต้องทำเหตุของมันแล้วผลมันก็เกิดขึ้นแต่อยู่ๆจะไปสั่งให้ผลเกิดเนี่ยไม่ได้ต้องทำเหตุงั้นเหตุของสติสอนมาบ่อยๆจำได้ัหมอะไรเป็นเหตุของสติเอา้าใครจะยกมือตอบ นาตอบได้กับทีราสัญญาันนี้จำแม่นทีราสัญญาคือการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆจนจิตมันคุ้นเคยมันจำสภาวะอันนั้นได้พอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นปุ๊บสติจะรู้โดยที่ไม่ได้เจตนาจะรู้นะงั้นเราต้องหัดวิธีหัดให้มีสตินะก็คือคอยรู้สภาวะที่เกิดบ่อยๆนะร่างกายหายใจออกคอยรู้สึกร่างกายหายใจเข้าคอยรู้สึก นะท้องพองรู้สึกท้องยุบรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกเนะี่ยหรือว่าความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยกุศลนะเช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาเกิดขึ้นก็รู้สึกหรือว่าอกุศลลบโกรดหลงฟุ้งซ่านหดหูเกิดขึ้นก็รู้สึกนะ ก็ ร, รู้ทันสภาวะไปะการที่เรารู้ทันสภาวะบ่อยๆนะที่แรกเราจะเห็นแต่สภาวะที่หยาบก่อนเช่นต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้ว่าโอ้โกรธแล้วถ้าโกรธเบาๆยังไม่รู้นะในการที่เราคอยรู้ใจเป็นโกรธเราคอยรู้ใจเป็นโกรธคอยรู้นานๆนานรู้ทิงต้องรอให้มันแรงก่อนถึงจะรู้แต่พอเราหัดดูบ่อยๆนะต่อไปนะขัดใจนิดเดียวก็เห็นละตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะเป็นอย่างพวกเรา น, นี่แหละ วันหนึ่งก็นั่งสมาธิอยู่ในบ้านนะเสร็จแล้วก็มีธุระต้องเดินออกไปหลังบ้านแสงแดดมันกระทบเปลือกตาเราอยู่ในที่ร่มที่เย็นที่สบายนะเพราะแสงแดดกระทบเปลือกตานะขัดใจเลยนะแค่นิดเดียวเท่านี้นะขัดใจแล้วเนี่ยถ้าเราจะฝึกมากนะเราหัดรู้หัดดูบ่อยๆนะอะไรแปลกปลอมขึ้นนิดเดียวในกายในใจเราก็จะรู้สึก น, ะนี่เรียกว่าสติมันอัตโนมัติลนะเราต้องฝึก จนสติอัตโนมัตินะไม่งั้นมักผลไม่ได้หรอกเวลาที่จะเกิดอริยามรรคเกิดอริยะผลนะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอัตโนมัติทั้งหมดเลยแล้วประชุมลงในที่เดียวกันคือประชุมลงที่จิตดวงเดียวกันในขณะเดียวกันด้วยนะ่ะหน้าถึงจะเกิดอริยามรรคเพราะเราต้องมาฝึกจนกระทั่งเกิดสติอัตโนมัติอยากได้สติอัตโนมัติแนละ้วก็คอยรู้สภาวะบ่อยๆทุกคนรู้ได้อยู่แล้วอ่ะหายใจออกทําไมจะไม่รู้หายใจเข้าทําไมจะไม่รู้นะ ยืนเดินนั่งนอนทำไมจะไม่รู้แต่ละเลยไม่ยอมรู้เท่านั้นแหละความสุขรู้จักไหมความสุขก็รู้จักความทุกข์ก็รู้จักใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงรู้จักทั้งนั้นเลยอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวนเซงเบือ่อนะกงนังวลแต่ละตัวแต่ละตัวพวกเรารู้จักทั้งนั้นเลยแต่ต เ, รเราละเลยที่จะรู้เพราะงั้นต่อไปนี้นะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้น ไม่ใช่ไปจ้องใส่มันนะแค่รู้สึกว่ากําลังมีอะไรเกิดขึ้นถ้าอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายเรารู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายแต่ถ้าเป็นจิตเคลื่อนไหวเนี่ยจิตโลภแล้วรู้ว่าโลภจิตโกรธแล้วรู้ว่าโกรธไม่เหมือนกันนะเพราะดูกายเนี่ยดูลงปัจจุบันขณะเลยเนี่ยรู้สึกถึงความเคลื่อนไหวของกายคือรู้สึกเดี๋ยวนี้เลยขณะที่กาลังเคลื่อนนี้เลยแต่ถ้าดูนามธรรมนะจะดูตามหลัง ดูตามหลังติดติดกันดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเห็นไหมมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเนี่ยไม่มีราคะเกิดก่อนแล้วก็รู้ว่าไม่มีดูกราภิกษุทั้งหลายจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะนะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะมีโทสะขึ้นมาก่อนแล้วรู้ว่ามีโทสะไม่ใช่ไปรอดูนะถ้าดูกายเนี่ย รู้สึกถึงความเคลื่อนไหวในขณะนี้เลยของร่างกายนะดูลงปัจจุบันขณะได้เลยแต่ดูจิตดูใจจะดูตามหลังตามติดๆไปนะต้องตามอย่างกระชั้นนะเมื่อวานโกรธวันนี้รู้ใช้ไม่ได้นะต้องเนียมันโกรธขึ้นมาก็รู้สึกอ๋อมันโกรธแล้วมีคำว่าแล้วด้วยนี่หัดรู้นะการที่เราหัดรู้บ่อยๆนะต่อไปสติจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะจนกระทั่งไม่เจตนาจะรู้ก็รู้ สติจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายเรารู้ไหมมีอะไรเกิดขึ้นในใจเรารู้ไหมถ้ารู้ได้ก็เรียกว่าสติดีนะถ้ารู้ไม่ได้ก็เรียกสติไม่ดีหัดรู้บ่อยๆต่อไปมันก็ชํานาญในการรู้นะอะไรเกิดขึ้นนิดเดียวนะร่างกายขยับคลิกเดียวนี่ก็รู้สึกล้หลวงพ่อเคยเข้าไปหาหลวงพ่อเทียนนะตอนนั้นภาวนาเป็นแล้วละ่ะจากหลวงพู ด, ดูลต่อยากดูท่านว่าเอ๊ะท่านมีชื่อเสียงเข้าไปดูท่านหน เห็นท่านสอนขยับมืออยู่นะลูกศิษย์ท่านเป็นโยมวันนั้นที่ท่านสอนนี่เป็นคราวาตวันอาทิตย์เมื่อกที่วัดสนามในตอนนะั้ก็เห็นท่านขยับเออท่านขยับดีท่านรู้สึกตัวนะขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกลูกศิษย์มีหลายแบบพวกหนึ่งเครียดถ้าไหนปะออท่านี้นะเนี่พวกนี้คิดอีกพวกหนึ่งขยับจนชํานาญเลยเพลินนะ ออกนอกวัดไปเลยแต่ท่าเนี้ยสวยเป๊ะๆ เ, เลยนะแต่ใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ น, นะเออเรเหยียอ่ะก็ดูดูเห็นเออหลวงพ่อเทียนใช้ได้ก็ไม่ได้เข้าไปรวมกลุ่มของเขาเราก็ไปนั่งใต้ต้นไม้หัดว่างนี้ท่าไหนวัเนี่ยท่าไหนยังจำท่าไม่ได้คิดท่ามากเวียนหัวนะไม่เอาละอัท่านี้แหละทำได้ไหมแค่เนี้ยขยับแล้วรู้สึกใช้หลักที่ ท่านแสดงอยู่ขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะเล่นอยู่ไม่กี่วันหรอกนะวันนึ่งไปเจอเพื่อนไม่เจอลานานและ้ะมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนพอเจอนะดีใจขาดสติดีใจไม่รู้ว่าดีใจก้าวเท้าไปตอนที่ก้าวนี่ยังขาดสติอยู่นะแต่พอเท้าเคลื่อนฟับทน่นะสติมาเลยมันเห็นร่างกายที่เคลื่อนไหว เ, นะเพราะเราเคยหัดขยับแล้วเรารู้สึกขยับแล้วรู้สึกเนี่ยขยับมือนะรู้สึกรู้สึกต่อไปเท้าขยับเหมืนก็รู้สึกเอง สติอตโนมัติมันจะเกิดขึ้นเวลาที่สติอัตโนมัติเกิดขึ้นนะทั้งวันทั้งคืนนะมันจะทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนเวลาเราหลับเนี่ยจิตมันจะลงผวังพักจริงๆไม่นานพักไม่นานหรอกสักพักเดียวมันจะขึ้นมาแล้วขึ้นมารับอารมณ์นะถ้าเป็นคนทั่วๆไปมันก็ฝันไปนะคือฝันถ้าเราสติดีเราจะเห็นว่าจิตมันคิดไม่ใช่ฝันนะจิตมันคิดฝันก็คิดนะอันเดียวกัน ถ้าฝันตอนหลับไม่รู้เรื่องรู้ราวนะก็เรียกว่าฝันถ้าฝันตอนตื่นรู้เรื่องรู้ราวเรียกว่าคิดเท่านั้นเองแนะมันอันเดียวกันดังนั้นจิตมันขึ้นมาคิดเนี่ยสมมติมันคิดเรื่องน่ากลัวคิดถึงผีเมืนะ่อเรากลัวผีเห็นนึกถึงฝันถึงผีปุ๊บใจกลัวใจกลัวเนี่ยสติเราลึกได้เลยว่าความกลัวเกิดขึ้นแล้วความกลัวขาดสะบั้นเลยนะผีหายไปเลยนะไม่มีเหลือเลยถ้าเราฝึกได้ถึงขั้นนี้นะเวลาเราตาย่ะ เวลานิมิตไม่ดีเกิดขึ้นเวลาตายต้องเกิดนิมิตนะทุกคนนะยกเว้นพระอรหันต์นะไม่มีที่จะต่อนอกนั้นตายแล้วมีนิมิตหมดเลยโสดาสกาัตถาคานาคาก็มีนะนิมิตนี่มีหลายแบบนิมิตหนึ่งเห็นที่ที่จะผิ่เกิดนิมิตหนึ่งเห็นกรรมที่ได้ทําไว้ในอดีตอันหนึ่งดูเห็นอนาคตนะแล้วไปเกิดในที่ที่เห็นอันนึงนึกถึงกรรมที่ได้ทําไว้จนชินนะมันให้ผลมันนึกถึงกรรมอันนี้ขึ้นมาอีกอันหนึ่งมันเห็นพวก สื่อที่จะทําให้คิดถึงกรรมเช่นเคยยิงเข้ามาเยอะนะถึงเวลาจะตายเนีเห็นปืนเห็นมีดอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะอย่างนี้ถ้ามีนิมิตเกิดขึ้นแล้วจิตมันจะไปตามนิมิตแต่ถ้าเราฝึกสติของเราจะอัตโนมัติเนี่ยเวลาที่เราจะตายนิมิตเกิดนิมิตไม่ดีเกิดปุ๊บนะสติระลึกปั๊บนะรับรองไม่ไปอับายนะแต่ว่าอย่าไปฝึกฝนทําชั่วนะ ฆ่าคนทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวตอนตายจะกะสติอัตโนมัติไม่ได้กินออกนะเพราะอะไรจิตมันคุ้นเคยที่จะชั่วมันไม่คุ้นเคยที่จะมีสติต้องฝึกจนมันคุ้นเคยที่จะมีสติฟังแล้วมีกําลังใจต้องฝึกนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะวันนี้อาจจะถูกอะไรตายก็ได้นะไม่แน่หรอกบางคนอยู่ๆดีๆก็เป็นมะเร็งไม่กี่วันก็ตายก็มีงั้นชีวิตเราเนี่ยยืนอยู่บนปากเหวแท้ๆเลยจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้ เราต้องไม่ประมาทนะเราพยายามฝึกสติของเราให้ดีอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดในใจคอยรู้สึกถ้ายุงกัดแล้วเจ็บรู้สึกอะไรรู้สึกว่ายุงกัดไอ้นั่นใครๆก็รู้หมาหมอย่างรู้เลยนะถ้ารู้ว่าโอ้มันเจ็บรู้สึกว่าโมโหแล้วเนี่ยเนี่ยรู้อย่างนี้นะเจ็บเป็นเวทนาที่กายนะยุงเป็นของข้างนอกดูดูข้างในนะเวลายุงกัดปุ๊บตัวใหญ่เราจะไปดูยุงใช่ไหม ถ้าดูยุงก็ไม่เป็นไรหรอกมันดูอัตโนมัติแต่ว่าความเจ็บเกิดขึ้นรู้ว่าเจ็บความโกรธยุงเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธนอยากตบรู้ว่าอยากบางคนรู้ว่าอยากนะแต่ว่าตอนโกรธเนี่ยมันเริ่มตบไปแล้วปรากฏว่าพอ ร, รู้ว่าอยากเนี่ยมือมันไม่ฟังคำสั่งใหม่นะมันรับคำสั่งเดิมมันตียุงตายไปแล้วนะอันนี้ได้บุญเลยได้บาปในขณะที่ตัดสินใจฆ่านะเป็นบาปใช่แต่ ตอนที่มันตายเนี่ยเรามีสติขึ้นมาจนมันเบรกไม่อยู่แต่ละคนลักขณะกันนะคนละษณะกันสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ไปตบยุงนะสอนให้มีสติให้เร็วจนมันไม่ตบหรอยุงมาก็ปัดๆไปบางทีหลวงพ่อใช้วิธีนะยุงกัดอ๋อมันมีอยู่สองสามตัวนะยื่นมือให้มันกัดก่อนเออให้เอากัดให้อิม่มๆนะจะได้ไม่มากัดเราทีหลัง นะเพราะว่าถ้าเราคอยไล่นะมันกัดหลายตุ่ม <laughs> บางทีก็มีแก้วใสๆนะยุ่งมาอยู่ในห้องมันเกาะมุ้งลวดเอาแก้วครอบเอากระดาษเสียบไปปล่อยเปิดห้องไปปล่อยหนึ่งตัวเข้ามาสามตัวบางทีสุดท้ายไม่ค่อยปล่อยแล้วเปิดผ้าให้มันกัดฝึกแขนให้มันกัดนะฝึกนะฝึกสติจนเร็วหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์วงจิตท่านไวมากเลย แล้วท่านท ด, ทดสอบหลวงพ่อรือท่านอาจารย์บุญจันทร์วัดถ้ำผาพึ่งคนรุ่นเราเนี่ยลืมท่านไปแล้วนะท่านเป็นพระที่ดีวิเศษที่สุดองค์หนึ่งนะไม่ได้เป็นรองใครหรอกฤทธเดชอะไรก็มากนะวันหนึ่งหลวงพ่อไปหาอาจารย์ทองอินที่วัดสันติธรรมเรื่องนี้เคยเล่าหลายทีล ะ, ะไปหาอาจารย์ทองอินไปแล้วมันมืดแล้วไฟมันดับด้วยมืดตึ๊ดตื่อเลยที่วัดสันติธรรมที่เชียงใหม่เข้าไปถึงประตูวัดแล้มีพระหนุ่มๆองค์นึงมายืนรออยู่ อากาศก็หนาวจัดนะถามท่านว่าอาจารย์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่แต่ตอนนี้อาจารย์บุญจันทร์มานะให้ไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยอก๋อไม่รู้จักนะแล้วมืดแล้วจะไปหาได้ไงเสียมารยาทไม่ยอมหรอกไปหาอาจารย์ทองอินคุยอาจารย์ทองอินอยู่ชั่วโมงนึงอาจารย์ทองอินลูกศิษย์หลวงปู่ิมนะออกจาอาจารย์ทองอินมาพระมาดักอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินแล้วนะออนวอนเลย อ้อนวอนใหญ่เราอ๋อไปก็ไปเสียไม่ได้นะไม่ได้อยากไปหรอกมืดแนะล้วเกรงใจท่านเลยขึ้นไปกุฏิท่านท่านมาเป็นอาคันตุกะมาพักที่วัดสันทิธรรมท่านไม่สบายอ่ะท่านจะมาพักรักษาตัวหรืออะไรก็ไม่รู้ท่านกุฏิท่านก็นมีห้องห้องหนึ่งแล้วมีระเบียงอยู่หน่อยที่ระเบียงมีตังค์อยู่ตัวงท่านไม่ได้เข้าห้องนะอากาศเที่วหนาวจัดท่านก็ป่วยมากนะนอนกลุ่มโปองอยู่บนตังค์มืดๆนันะ เขขึ้นไปถึงปุ๊บพระองค์ที่พาไปนั้นก็มุดเข้าห้องไปเลยท่านอาจารย์องคาจารย์ท่านก็เปิดพระห่มออกมาลุกขึ้นนั่งชี้หน้าพราชนะยังไงเออองค์นี้มาแปลกเว้ยไม่รู้จักเลยนะอยู่ๆไปเรียกละมาแล้วมันชี้หน้าถามว่าภาวานาอย่างไงอธิบายให้ท่านฟังนะโดนท่านท่านวักเอาท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะตอนนั้นภาวนาผิดนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะโดนท่านตวาดอยู่สองครั้งนะ ครั้งแรกท่านตบบาดเสร็จแล้วท่านถามไงจะภาวนาไ ง, งาอีกนึกว่าท่านฝังไม่รู้เรื่องก็เล่าซ้ําอีกโดนท่านตบบ า, าทคนที่สองนะเพราะภาษาเนี่ยสำเนียงอนะ่ะมันฝังก็ไม่ค่อยออกนะพอตบบาดครั้งที่สองนะใจมันหลุดเลยไม่เอาเล่าตรงนี้ไม่ใช่ทางแล้วนะนึกว่าทางมันไม่ใช่ทางที่จริงรู้หรือได้ว่าเป็นสมถหะหรอนะแต่ว่ายังเล่นอยู่กโดนท่านตบบาดเพราะมันทําให้เสียเวลาพอท่านตบบาดเสร็พจิตเราหลุดปุ๊บนะท่านหัวเราะเลย หัวล้อดังเลยนะฮ่าฮ่าาาาอย่างนี้เลยนะยังกระหนังจีนเลยแบบท่านหัวล้อดังท่านหัวล้อเราก็หัวล้อตามเรียกโดยเสด็จหัวล้อบ้างนะสองคนอาจารย์รู้สิธิ์เลยหัวเราอพอเราหัวล้อปุ๊บท่านหยุดกึกเลยจิตท่านนิ่งเลยเห็นท่านหยุดเราหยุดบ้างนิ่งเหมือนกันท่านบอกเออใช้ได้สอบเรานะว่าสติเราไวแค่ไห น, นต้องฝึกนะฝึกก่อนที่มันจะไวอย่างเนี้ย มันก็ช้ามาก่อนประเภทโกรธเป็นานเป็นชั่วโมงแล้วถึงจะรู้นะต่อไปนะัขัดใจเล็กๆก็รู้ถ้าหัดรู้บ่อยๆแล้วมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นนะต้องฝึกนะเราะฉะนั้นทำกรรมฐานสักอย่างทําสติปัฏฐานนี่แหละสติปัฏฐานเนี่ยเป็นไปเพื่อความมีสตินะหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวนะะมีความสุขมีความทุกข์รู้สึกตัวมี กุศลรู้สึกตัวมีอากุศลโลบโกรดลงรู้สึกรู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนะครรู้สึกเรื่อยๆแล้วสติจะเร็วขึ้นเรื่อยๆหรือก็ดูกระบวนการทํางานของจิตหลังๆคนที่เรียนกับหลวงพ่อนะเริ่มเห็นปฏิจจสุบาทกันมากขึ้นมากขึ้นนะผู้ใดเห็นปฏิจจสุบาทผู้นั้นจะเห็นธรรมแต่เขายัางเห็นไม่ทั่วถึงนะเริ่มเห็นเป็นช่วงๆยังเห็นว่าพอตาเห็นรูปนะส่งสั ญ, ญญาณเข้ามาที่ใจ ส่งสัญญาณที่ใจแล้วมีการแปลค่าว่ามันคืออะไรอะไรนะแล้วก็เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยพอมีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉเกิดขึ้นเ้าก็เห็นอีกเวลามีความสุขก็มีราคะแทรกเวลามีความทุกข์ก็โทสะแทรกเวลาเฉยเฉยโมหะมักจะแทรกพอมีกิเลสแทรกนะจิตก็เกิดความอยากตามอํานาจของกิเลสราคะเกิดก็อยากได้มาอยากสิ่งที่ได้มาแล้วก็อยากให้อยู่ถาวร โทษาเกิดนะไอ้สิ่งที่ได้มาอยู่ตอนนี้อยากให้มันหายไปหรืออยากให้มันไม่เกิดเนี่ยก็จะเห็นใจมีความอยากขึ้นมาเพราะใจมีความอยากนะใจจะดิ้นรนขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าพบนะเฮ้เห็นเลยใจมันดิ้นคุก ค, คักคลุกคลับที่จะไปดึงดูดอารมณ์บ้างที่จะไปปฏิเสธอารมณ์บ้างแล้วความทุกข์มันก็เกิดขึ้นในใจเนี่ยเขาเริ่มเห็นอย่างนี้อันนี้อยู่ในธรรมานุปัสสนานะเห็นกระบวนการทํางานของจิตข อ, ของกิเลสของอะไรต่างๆ งั้นเราฝึกมากๆต่อไปสติเราจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนอัตโนมัตินะกลัไปก็ฝึกสมาธิให้อัตโนมัติสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเดี๋ยวนี้ค่อยดีขึ้นเยอะนะเมื่อก่อนไปที่ไหนดูโรคหูโรกตามากเลยเพ่งเอาลูกเดียวเลยแล้วคิดว่านั่งสมาธิมากๆแล้วจะบระรลุมรรคผลนิพพานไม่บรรลุหรอกเพ่งมากๆกดได้ไปเป็นฤาษีชีพลัยนะเพ่งเก่งๆก็ไปเป็นพระพรหมเพ่งไม่เก่งก็ไปอยู่สวรรค์นะ อยู่นิมานรดีบ้างปรนิมิตวัตสวัตติบ้างนะครูบาอาจารย์ท่านเคยบอกนะว่าพวกปรนิมิตวัสวัตติเนี่ยสวรรค์ชั้นเนี้ยนะเทวดาพวกเนี้ยไม่ชอบเนรมิตอะไรเลยนะเวลาต้องการอะไรนะเทวดาชั้นนิมมานรดีชั้นที่5้เนี่ยจะมาเนรมิตให้ทําไมทีแรกก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมวะต้องไปเนรมิตให้เขาไม่ใช่ลูกน้องเขาซึ่งหน่อยพวกนิมมานรดีนะพวกชอบเล่นรูป ทำรูปอะไรขึ้นมาแล้วได้สบายใจส่วนพวกปรณนีมิตรัสสติเนี่ยชอบอารูปทำอะไรไม่เป็นหรอกว่างๆทำว่างๆอย่างเดียวนะไอ้พวกทำรูปก็ทำให้นะมีความสุขที่ได้ผลิตให้อนะไรเงี้ยพวกนี้เวลาตายอ่ะเข้าฌานไม่ทันก็เลยลงมาอยู่ที่สวรรคนะ์ถ้าเข้าฌานทันก็ขึ้นไปรูปประพรมอารูปปรพรมเนะี่ยพวกที่ภาวนาแล้วไปติดสมาธินะเดินปัญญาต่อไม่ได้ ถ้าเดินปัญญาต่อได้นะก็จะขึ้นไปมรรคไปผลนิพพานได้นะแต่ว่าพรหมบางองค์เทวดาบางองเขาก็ได้ธรรมะนะพรหมเทพที่ได้ธรรมะมีมากกว่าพวกเราอีกนะเขาได้ฟังธรรมตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าหลายๆองค์ผ่านมาแล้วเขาก็ยังมีชีวิตยอยูนะ่ก็มีอยู่พุทธเจ้าท่านเคยขึ้นไปพรห ม, มโลกมีพระพรหมมาหาท่านมามาต้อนรับ องนี้เคยฟังทำพระวิปัสสีพระศีขีอะไรนี้ตั้งเยอะเลยพวกนี้เขาได้เจริญปัญญานะแล้วก็มีสมาธิด้วยตายไปแล้วไปเป็นพรหมนี่ก็จริงนะแต่ว่าเขาเดินปัญญาต่อได้นะแต่ถ้าเป็นพรหมเฉยๆเพ่งเพงเ พ, ง, เพงไปเรื่อยไม่เกิดปัญญาหรอกนะเพราะงั้นเราต้องฝึกสมาธิที่ถูกเดี๋ยวนี้ไปที่ไหนก็สดชื่นนะเห็นหน้าตาพวกเราสว่างพวกเรารู้สึกตัวไหมว่ามันสว่างขึ้น มันผ่องใสมันมีความสุขขึ้นความทุกข์สั้นลงความทุกข์น้อยลงนะความรู้เนื้อรู้ตัวดีขึ้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้น น, นละลักษณะของจิตที่มันมีสมาธิที่ถูกต้องนะถ้าพูดตามตำราก็คือมีความเบารู้สึกแม่ใจเราเบ า, ใจ เ, า, เบาใจเราอ่อนโยนนะเบาเรียกละหูตาอ่อนโยนเรียกมุตุตานะมีความคล่องแคล่วไม่ซึมไม่ทื่อนะเรียกว่าป่าคุณตาควรแกการงาน เอาไปทําวิปัสสนาได้นะเป็นกรรมมัญจตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็รู้ซื่อๆนะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปรู้ซื่อๆไม่เข้าไปแทรกแซงรู้อย่างที่เขาเป็นอุชุกตาในลักษณะของจิตที่ดีนะจิตที่มีสมาธิถูกต้องเป็นจิตที่ดีที่งามเนี่ยจะสว่างผ่องใสนุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สื่อไม่ทื่อจิตชนิดนี้ไม่ได้เกิดจากการไปนั่งเพ่ง จิตอย่างนี้ไปนั่งนั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งแล้วมันตึงเครียดเกินไปน้ำสุดโต่งไปข้างตึงเครียดจิตที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีสตินั่นแหละคอยรู้ทันจิตที่ไม่ไม่ตั้งมั่นนะถ้าเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นงั้นเราก็อาศัยสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆจิตเคลื่อนไปคิดก็รู้จิตเคลื่อนไปฟังก็รู้จิตเคลื่อนไปดูก็รู้รู้ทันจิตที่เคลื่อนบ่อยๆ เวลาดูท้องพองยุบจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องก็รู้นะรู้ลมหายใจจิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้นี่หัดรู้บ่อยๆว่าจิตมันเคลื่อนไปทางไหนทางไหนทางไหนเราคอยรู้เรื่อยๆนะทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนไปนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องดึงเอาไว้ถ้าพยายามจะดึงเอาไว้ทําผิดแน่นอนเลยใจจะเครียดเครียดแข็งแ ข, ง, ขงหนักๆพวกเราในห้องนี้ก็ยังมีอยู่บางคนนะที่ยังเพ่งๆอยู่สีมผูนี้นะยังเพ่งอยู่นะ มันจะหนักๆขึ้นมาดูหน้าก็รู้แล้วไม่ต้องดูจิตหรอกนะหน้าตานะมันไม่โป่งไม่โลง่งไม่สบายใจถ้านะนะเราไม่เพ่งแต่เราอาศัยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปถ้าจิตเคลื่อนไปแล้วเรารู้จิตก็จะตั้งมั่นวิธีจะฝึกให้รู้ทันจิตที่เคลื่อนนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเป็นเครื่องสังเกต เช่นอยู่กับฟุตโตุ้ตโตุ้ตโต้พจิตทิ้งฟุตโต้ไปอ้อหนีไปจากฟุตโตแล้วรู้รู้ลมหายใจไ ป, ปจิตหนีไปจากลมหายใจก็รู้นะจิตไปหนีไปที่อื่นนะก็รู้หรือว่าจงใจเคลื่อนเนี่ยจงใจเคลื่อนก็ได้นะไม่ใช่ว่าแค่ว่าเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้หรอกจงใจเคลื่อนก็ได้เช่นเรานั่งอยู่อย่างนี้นะจะลืมตาหรือหลับตาไม่เป็นไรเรานึกถึงผมหรอกให้จิตมันไปอยู่ที่ผมแล้วก็รู้ทันว่าตอนนี้จิตไปอยู่ที่ผมล้ ย้ายมาหูข้างซ้ายย้ายมาหูข้างขวานะส่งจิตไปตามจุดต่างๆในร่างกายห้ามส่งออกเกินร่างกายไปนะให้ส่งเวียนอยู่ในร่างกายไล่ไปทีละส่วนในร่างกายแล้วรู้ตอนนี้ตอนนี้จิตไประลึกอยู่ที่หูข้างนี้แล้วเอามาอยู่ที่นิ้วก้อยซ้ายแล้วนะมาลงไปที่นิ้วโป้งทววเท้าขวาแล้วอย่างเงี้ยจิตเคลื่อนไปที่ไหนในกายนะคอยรู้พามันเคลื่อนไปก่อนแล้วรู้ว่ามันไปไมันจะเห็นเลยจิตมันเคลื่อนไปจริงๆ พอเห็นได้อย่างนี้ต่อไปจิตเคลื่อนป้อมก็จะเห็นเหมือนกันเนี่ยเทคนิคมันเยอะนะเรียกอุบายเยอะแยะเลยแต่หลักมีอันเดียวคือรู้ทันจิตที่เคลื่อนเท่านั้นแหละนะงั้นถ้ารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนเพราะอะไรจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าอุทธัจจะุทัจจะคือความฟุง้งซ่านทันทีที่สติไปรู้ทันความฟุง้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัตินี่เป็นกฎของธรรมะนะ กฎของธรรมะก็คือที่ใดมีสติที่นั้นต้องไม่มีกิเลส ท, นะที่ใดมีกิเลส ท, ที่นั้นต้องไม่มีสติเพราะฉนั้นถ้าเรามีสติขึ้นมาเมื่อไหร่นะความฟุง้งซ่านจะดับอัตโนมัติจิตก็ไม่ฟุง้งซ่านจิตไม่ฟุง้งซ่านจิตก็มีสมาธิแค่นั้นเองง่ายๆนะเป็นวิธีฝึกสมาธิที่ง่ายที่สุดแล้วละ่นะหลวงพ่อพยายามแอพพลายมานะฝึกฝนค้นคว้าวิธีการต่างๆที่จะทําให้เกิดสมาธิแต่เด็กๆหัดนั่งสมาธิธรรมานาปนสติมานะ แล้วต่อมาตอนตอโตขึ้นว่ามันง่ายนิดเดียวรู้ทันจิตที่เคลื่อนเท่านี้เองหลวงปู่โดนสานอยู่คำหนึ่งว่าอย่าส่งจิตออกนอกคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกก็คือไม่ใช่ห้ามออกนอกเพราะหลวงปู่สอนต่อนะท่านทีแรกท่านบอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธบทเนี้พวกเราได้ยินบ่อย ท่านไม่ได้สอนแค่นี้ท่านยังมีอีกท่านบอกว่าอันหนึ่งธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะแต่ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วก็เพื่อมหวั่นไหวไปตามอารมณ์นะเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็ะเพื่อมหวั่นไหวไปตามอารมณ์เป็นทุกขนะ์แต่พระริยะเจ้าเนี่ยท่านสรุปตอนท้ายพระระิยะเจ้าหมายถึงพระอรหันต์นะจิตไม่ส่งออกนอกนะจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่สวยอารมณ์นะก็สงบสันติ งั้นจิตที่สออกนอกคือจิตที่มันเสียศูนย์จิตที่มันมีความอยากผลักดันจิตที่มีความฟุ้งซ่านผลักดันอยู่นะท่านมันจะเคลื่อนทันทีที่สติไปรู้จิตที่ฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติงั้นที่หลวงปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเป็นภาษาเท่านั้นนะวิธีปฏิบัติจริงๆก็คือรู้ทันจิตที่ออกนอกถ้ารู้ทันจิตที่ออกนอกมันจะไม่ออกนอก คำว่าอย่าออกนอกเนี่ยเป็นแค่สัมนวนนะเป็นแค่ภาษาขยำจะสื่อกับพวกเรานะเพราะว่าท่านก็บอกอยู่แล้วว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกใช่ไหมจะอย่าออกนอกมันผิดธรรมชาติแค่ถ้าเข้าออกนอกเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาหลวงปู่ถึงบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่ก็อาศัยคิดคําสอนหลวงปู่ดูนะ่าสุดยอดเท่านั้นเลยแต่พวกเราจะกลอนเราจะเหลือแค่คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้ ไม่มีประโยคที่3ามว่าแต่ก็ต้องอาศัรรยคิดเราะงั้นคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เวลาคิดเนี่ยจิตไหลไปไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดไหลไปคิดมีมากที่สุดใช่ไหมทันทีที่จิตไหลไปคิดเนี่ยจิตรู้ก็ไม่มีหรือจิตมันเคลื่อนนั่นเองจิตส่งออกนอกนะั่นเองจิตรู้มันก็หายไปถ้าเมื่อไร่รู้ทันว่าจิตออกนอกนะรู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปรู้ทันว่าจิตไปคิดส่วนใหญ่เคลื่อนไปก็เคลื่อนไปคิดนั่นแหละถ้ารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปคิดจิตรู้จะเกิดเลย ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่รู้เฉยๆไม่ใช่รู้ซื่อบือ้อไม่ใช่รู้แข็งๆแต่รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานด้วยนะอยู่ในภาวะอันเดียวกันมีความสุขอิ่มอยู่ในตัวเองนี่เป็นอํานาจของสมาธิต้องฝึกอยู่ดีๆไม่เกิดหรอกนี่มันมีวิธีอันหนึ่งนะรวบย่อเลยรวบย่อเลยที่จะฝึกให้ได้ทั้งสติทั้งสมาธิควบกันทําได้ไหมทาได้สติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นใช่ไหม สมาธิเกิดจากสติไปรู้ทันจิตที่เคลื่อนก็ถ้าเราจำสภาวะจิตที่เคลื่อนได้แม่นก็จะเกิดทั้งสติเกิดทั้งสมาธินะงั้นเราทำกรรมฐานไม่ต้องทำอะไรมากหรอกทำอะไรสักอย่างหนึ่งพุโทโธพุโทโธไปก็ได้แล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะต่อไปจิตขยับตัวคลิกเดี๋ยวก็เห็นแล้วสติเกิดเกิดปุ๊บจิตตั้งมั่นสมาธิเกิดนะ ได้ฝึกอย่างนี้นะเอาว่าจิตหลงแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้ฝึกให้มากที่สุดเลยจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิเลยควบกันนะแต่ถ้าดูความโลภความโกรธความหลงเกินมามีขึ้นมาแล้วรู้หายไปแล้วรู้อันนี้จะได้สติเพราะอะไรไปดูความโกรธบางทีจิตมันเคลื่อนตามความโกรธไปไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนก็เลยได้แต่สติไม่ได้สมาธิไม่เหมือนการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปคิดจิตกระิกคลิกเห็นคลิกเห็นนะ มันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้ก็ได้สติพอรู้ทันจิตเคลื่อนก็ได้สมาธิก็จะเล่นควบกันงั้นง่ายที่สุดเลยก็รู้ว่าจิตคิดส่วงปู่ถึงสารว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดถึงรู้แต่อาศัยคิดแต่อาศัยคิดคืออะไรไม่ห้ามจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งอย่าไปฝืนธรรมชาติมันจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกอย่าไปฝืนธรรมชาติมันเอาแค่ว่ามันไปคิดเรารู้มันไปคิดเรารู้ ตรงที่จิตออกไปคิดนั่นแหละมันจะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ให้เกิดขึ้นนะถ้าจิตไม่ไปคิดอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรนะซื่อบื้ออยู่แค่นั้นเองงั้นปล่อยให้จิตมันทำงานจิตคิดก็ได้นะแต่คิดเรารู้จิตคิดได้นะแต่คิดเรารู้อย่าไปหยุดจิตไม่ให้คิดถ้าหยุดจิตให้ไม่ให้คิดเนี่ยเป็นทางไปพลมมาโลกเป็นทางของพรมนะแต่การที่เราเห็นจิต เดี๋ยวไปคิดดีคิดร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมามันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเป็นขั้นของการเจริญปัญญาได้ถ้าจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งนะมันเจริญปัญญาไม่ได้หลวงพ่อไปเมืองจีนนะเขาพาไปวัดท่านว้่หลังวัดหนานหัวที่ซุ้มประตูชั้นกลางถ้ามีป้ายเป็นหินติดอยู่ข้างประตู อันหนึ่าก็บอกว่าทำแท้ๆไม่ได้เป็นคู่อีกฝั่งหนึ่งบอกทำแท้ๆเป็นมนึงแต่ก่อนที่จะรู้หนึ่งนะต้องรู้ทำคู่ก่อนงั้นหลวงพ่อเขียนหะนังสือไว้เล่มหนึ่งนานแล้วนะเรียนทำคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งไม่ใช่ไปอยู่นิ่งเฉยอย่างนี้นะจะไม่เกิดปัญญาต้องดูความเคลื่อนไหวดูความเปลี่ยนแปลงอาศัยจิตที่ตั้งมั่นรู้เนืรู้ตัวแล้วนะอาศัยสติ เวลามีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้ไม่ใช่ไม่รู้รู้ที่จิตอย่างเดียวเวลาใจมันคิดนึกปรุงแต่งก็มีสติไปรู้แต่จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนรู้คนดูนะอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญาไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งๆ่งไม่คิดไม่นึกนะอย่างนั้นทําผิดแล้วมันเป็นวิธีของฤาษีถ้ใจนิ่งสบายพอใจเคลื่อนเมื่อไหร่ก็ร้ายเหมือนเดิมนะหรือคิดดอกเบี้ยร้ายกว่าเก่าพวกที่ติดสมถะนะหลุดออกมาวันใดเนี่ยจะร้ายกว่าเก่านะเพราะว่ากิเลสมันคิดดอกเบี้ย ยิ่งติดนานยิ่งติดแรงนะหลุดออกมาเนี่ยเราต้องอยู่ห่างๆนะเขาพร้อมจะระเบิดเปรี่ยงปลั่งได้เลยไม่ก็อาฆาตพยาบามผิดมนุษย์มนาไปเลยนะแบบคิดร้ายกับคนอื่นได้ทั้งวันทั้งคืนวันละยีบสามชั่วโมงอะไรเงี <c> ้ย <oughs> มีนะไม่ใช่ไม่มีมันติดสมถะอยู่ถ้ามันมันหลุดสมถะเสื่อมนะโทสะเกิดสมถะเสื่อมแล้วคราวนี้ร้ายมากเลย น, ะนี่มีเยอะนะไม่ใช่ไม่มีหรอกงั้นเราพยายามนะ ซ้อมให้เกิดสติและสมาธิแล้วมันจะได้ปัญญาสติเกิดจากการที่จิตจาสภาวะได้แม่นหัดรู้สภาวะบ่อยๆสภาวะก็คือมีอะไรเกิดขึ้นในกายก็รู้มีอะไรเกิดในใจก็รู้ต่อไปไม่แม้อะไรเกิดขึ้นในกายในใจนิดเดียวก็รู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้สมาธิเกิดจากการที่เรามีสตินั่นแหละรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปส่วนใหญ่จิตจะเคลื่อนไปคิด นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนไพคิดนะใช่หลักอันนี้นะไม่พลาดหรอกนะไม่ใช่สงบเฉยๆนะสงบเฉยๆปัญญาไม่เกิดนะพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นใจมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากนะเห็นสุขทุกข์ดีชั่วเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากฝึกให้ได้อย่างนี้นะไม่งั้นไม่ได้ของจริงหรอกส่วนใหญ่ที่ฝึกกันมันฝึกเพ่ง ดูลมหายใจก็เพ่งลมหายใจดูท้องก็เพ่งท้องดูเท้าก็เพ่งเท้าดูมือก็เพ่งมือเพ่งไปเรื่อยๆนะจิตมันรวมทีสว่างวุบขึ้นมานะขยับขยับไปเนยะจิตมันรวมสว่างว่างนะคิดว่าบรรลุมรรคผลแล้วยังไม่ขึ้นวิปัสสนาเลยนะแต่ว่าจะร้ายมากเลยนะถ้าเมื่อไหร่จิตเคลื่อนออกจากสมาธิจะร้ายเหมือนกันหมดทุกที่นะงั้นเราพยายาม พัฒนาพื้นฐานของเราให้ดีฝึกสติฝึกสมาธิให้ดีนะแล้วฝึกเจริญปัญญาเวลาเจริญปัญญาก็เห็นกายเห็นใจมันทํางานไปใจเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเราก็จะเห็นตรงตามความเป็นจริงได้นะค่อยๆฝึกนะฝึกไปชีวิตเราเป็นของไม่แน่นอนนะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราก็ไม่รูนะ้บ้านเมืองอาจจะวุ่นวายอีกหลายปีก็ได้ใช่ไหมดูไม่มีทางออก ดนั้นช่วงนี้เป็นช่วงวิกฤตทางการเมืองการเมืองวิกฤตได้เศรษฐกิจ ก, ก็วิกฤตได้สังคมก็วิกฤตได้มันต่อกันหมดนะเห็นลูกโซ่กันใจเราอย่าวิกฤตด้วยนะใจเรามีธรรมะนะนั้นเราปฏิบัติตั้งใจรักษาศีลฝึ ก, กจิตใจให้อยู่กันเนื้อกับตัวดูกายดูใจเขาทางานดูอย่างที่เขาเป็นนะค่อยดูไปเรื่อยๆใจเราก็จะห่างจากโลกห่างจากทุกข์ไปเรื่อยๆ คำว่าโลกุตะระโลกุตตะระนะตัวเราก็ยังอยู่ในโลกนะแต่ใจเราพ้นไปจากโลกคําว่าโลกเนี่ยมันรวมตั้งแต่ร่างกายจิตใจของเราด้วยนะนี่ก็คือโลกส่วนหนึ่งของโลกใช่จิตที่พ้นออกจากโลกที่ขึ้นโลกุตตะระพ้นจากตัวนี้ด้วยนะไม่ใช่พ้นจากโลกข้างนอกเท่านั้นพ้นจากโลกข้างนอกพ้นไม่ได้เพราะว่ากายนี้ใจนี้อยู่กับโลกแต่ว่าจิตที่มีปัญญาแก่รอบจริงๆนะมันพ้นจากโลก เรียกว่าโลกุตตะคำว่าโลกเนี่ยมีกายมีใจเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นเป็นศูนย์กลางเลยนะค่อยฝึกแล้วก็ต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะเข้ามากระทบไม่ถึงใจเราเคยรวยมากๆก็จนลงนะจนลงก็ยังดียังมีข้าวกินมีข้าวกินวันนี้ไม่มีข้าวจะกินแล้วก็ยังดีได้กินข้าวมาตั้งหลายปีแล้วเออเพิ่งจะมาอดตอนนี้ นะมันอยู่ได้นะอยู่ได้ร่างกายจะตายแล้วโอ้ทําอะไรจะตายล้ตายเพเรื่องของโลกใจเราไม่ได้เกี่ยวด้วยร่างกายเป็นตัวทุกข์ใจมันเห็นแจ้งอย่างนี้นะตัวทุกข์จะตายใจไม่เดือดร้อนเลยนะตัวทุกข์จะตายสมน้ําหน้ามันสุอีกร่าเริงค่อยฝึกนะจนใจเราพ้นโลกไปให้ได้ในโลกนี้ไม่มีที่พึ่งที่อาศัย ที่เราสวดมนต์พุททางสระนังคชามิพุทธรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งให้พ้นจากทุกข์พ้นจากทุกข์ได้ก็พ้นจากโลกได้พ้นจากขันได้นั่นแหละเป็นที่พึ่งของเราไม่ใช่ร้องขอเราเรียนรู้สิ่งที่พุทธเจ้าสอนสิ่งนั้นคือพระธรรมเรียนรู้นะเจอทั้งใจเราเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาใจเราทรงธรรมขึ้นมาใจเราทรงธรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยโลกจะห่างออกไปเป็นลําดับลําดับ เป็นโสดาก็เป็นโลกุตตะะนะอยู่ในโลกุตตะละภูมิแล้วนะโลกห่างออกไปทั้งเยอะเห็นโลกอยู่ห่างๆแต่ว่าใจก็ยังผูกพันอยู่กับโลกสักทาคาใจก็ยังผูกอยู่กับโลกนะพอถึงขั้นพระนาคาเนี่ยใจไม่เกาะกับโลกอย่างนี้แล้วโลกอย่างนี้หยาบสกุกโกโสมมนะเป็นทุกข์เกินไปใจไปจับโลกที่ประณีตไปอยู่ในพรหมโลกเป็นโลกที่ละเอียดเข้าไป ถ้าภาวนาสุดขีดจะรู้เลยว่าไม่ว่าโลกใดนะจะโลกหยาบหรือโลกละเอียดก็ถุกล้วนๆเลยใจอย่างนั้นนะใจอย่าหลุดออกจากโลกนะเป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติขั้นต้นนี้แค่เห็นกายเห็นใจมันทํางานจะรู้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นสมบัติของโลกดูมไปเรื่อยๆนะเบื้องต้นจะช่วยมันคิดนิดหน่อยก็ได้นะค่อยๆฝึกนะชีวิตจะได้ดีชีวิตจะได้มีความสุขหลวงพ่อมาสอนที่นี่ครั้งแรกเนะี่ย เห็นเราก็ท้อใจเหมือนกันนะติดเพ่งกันเยอะเลยส่วนมากจกไปเพ่ ง, พงซึมไปหมดเลยนะมาถึงวันนี้พวกเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วจิตใจเปลี่ยนรู้สึกตัวไหมว่าเราไม่เหมือนเดิมส่วนใหญ่นะมีใครไม่เหมือนเดิมยกมือซิมีไหมเดี๋ยวถามต่อที่ไม่เหมือนเดิมใครแย่ลง <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ต้องดีขึ้นเสมอไปนะ บางคนพบเราไม่เหมือนเดิมเลยเมื่อก่อนนึกว่าชั้นดีอู้หนางมารายนะเอาละหมดเวลาสมควรแก่เวลากราบนมัส ก, การหลวงพ่อนะครับก็ฝึกปฏิบัติทุกวันนะครับก็คอยรู้สึกตัวทุกวันเรื่อยๆนะครับก็ทำอาศัยทางความสงบโดยการอ่านหนังสือธรรมะนะฮะก็ยังไม่ เห็นว่ากายใจไม่ใช่เรายังเห็นไม่ได้อย่างนั้นเห็นได้ก็แค่ว่ามันใจมันทํางานได้เองในบางครั้งแต่มันไม่เป็นเราดูแค่นั้นไปก่อนนะมันจะไม่เป็นเราเนียเมื่อสมาธิมันพอจิตมันตั้งมั่นถอนตัวออกมาเป็นคนดูได้ตอนนี้จิตกับอารมณ์มันยังรวมกันอยู่มันยังเป็นเราได้เราไม่หลอกตัวเองรู้สึกเป็นเราก็เป็นนะแต่ดูไปเรื่อยต่อไปมันก็เห็นเองมีแต่ครองบังคับไม่ได้ ที่ทําอยู่นี่ก็คือถูกถูกต้องถูกนะแต่ว่าจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมอ๋อไม่เหมือนครัเออไม่เหมือน<ม>ใช่ได้ไแต่ว่ามีความฟุ้งซ่านเยอะไปหน่อยนะงั้นทําความสงบพุทโธพุทโธอะไรไปบ้างก็ได้นะอ่านหนังสืออย่างเดียวบางทีไม่พอก็มีสวดอิติปิโสเออได้ไสวดสวดไปสบายใจนะไม่ได้สวดเอาสงบน ะ, ะสวดเล่นๆสวดให้สบายใจเคล็ดลับของสมถาก็คือสบายใจ หายใจอย่างสบายใจก็สงบนะดูท้องพองยุบอย่างสบายใจก็สงบทงําจังหวะสบายใจก็สงบเหมือนกันหมดอนะะไปเพิ่มสมาธิขึ้นหน่อยใจฟุ้งเก่งไปครักลับพ่อเจ้าค <úng> <ำ>่ะฟุ้งเก่งไหมหนูว่าเบาลงหน่อยแล้วใช่ดีขึ้นแล้วไงอีกทีนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าเวลาเกิดสติเนี่ย หนูมันอ่ามันไหลเคลื่อนเข้ามาเข้ามาข้างในนะคะแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชำเลืองแรงนะเจ้าค่ะเออถ้าแรงไปก็กลายเป็นเพ่งเพ่งข้างนอกก็ได้นะเพ่งข้างในก็ได้ก็เพ่งเหมือนกันดูเล่ไม่รู้ว่ามันก็แรงไปนะแต่ใจมันก็เบาค่ะเจ้าค่ะบาแต่รูแต่รู้สึกว่ามันแรงอยนี้เออแต่ถ้าเราเพ่งแรงนะใจมันจะไม่เคลื่อนไหวจะรวมเข้ามาแล้วก็เป็นนิ่งๆอยู่ แต่ถ้าไปนิ่งๆอยู่เหลือตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ต้องค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะอันนี้แรงไปต้องปล่อยจกระทั่งมีตัวรู้นะแต่ไม่รักษาให้นิ่งไหมค ย, ยังไงะคะอย่าจงใจมากสิถ้าเรารู้ทันว่าเราไปดึงเข้ามานะไปอัดมันเข้ามาเขาจะค่อยๆ ค, ค, ค, คลายออกนะแต่ถ้ามันไม่ยอมคลายเลยลืมมันไปก่อนเริ่มต้นเอาใหม่อีกอย่างนึงคือเวลา เหมือนสมาธิอย่างนี้นะเจ้าค่ะบางทีหนูไม่ได้เห็นแสงสว่างมากแต่แต่พอเห็นแสงปุ๊บหนูก็ดูมันไปเพียงแต่ว่ามันกลับเข้ามารู้ไม่ได้แล้วก็เราก็เหมือนกับว่ามันไม่เห็นว่าจิตอยากก่าคิดนี้หลวงพ่อบอกว่าดูว่าความเคลื่อนของจิตแต่หนูนคือถ้าเห็นแสงเนี่ยอย่าไปดูแสงเห็นแสงเราให้รู้ทันจิตะ ในิมิตใดๆเกิดขึ้นรู้ทันจิตเช่นแหงเชนแสงแล้วใจพอใจรู้ว่าพอใจใจรู้สึกว่าหลวงพ่อบอกว่าอย่าไปดูแสงไม่ชอบมันแล้วอะไรอย่าเงี้ยอยากจะเลิกเลยรู้ว่าอยากเนี่ยรู้ทันจิตใจของเราไปถ้าใจเราไหลไปอ ย, ปอยู่ที่แสงนันจะเป็นนิ่งเป็นสมถะสุดท้ายเจ้าค่ะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวมาพักใหญ่นะเจ้าค่ะเวลาเราเกิดความเย็นว่าลาง อ, อกนะเจ้าค่ะหนูเพียงแค่อยากรู้ว่ามันเกิดจาก ไม่เกิดจากสมาธิ น, น ะ, ะสมาธิาางงาข้างนอกนก็มีข้างนอกมากระทบก็มีนะข้างในมาเกิดปลุมขึ้นมาก็มีของข้างนอกข้างในมีเท่านั้นแหละ เ, เวลาเราเข้าไปในที่บางที่พวกเราทั่วๆไปก็รู้นะรู้สึกได้เข้าไปที่บางที่เราอึดอัดเข้าไปบางที่เรารู้สึกโปร่งโล่งสบายใช่ไหมสิ่งแวดล้อมมันมีอิทธิพลแล้วเราจะพอทราบได้อย่างไรนะคะว่าจริงๆข้างนอกข้างในไม่สําคัญ จริงหรือเปล่าไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเมื่อรู้มันแล้วเนี่ยจิตของเราเป็นอย่างไรยินดีไหมยินไร้ายไหมหรือสงสัยอะไรเงี้ยนะรู้ทันจิตไปใช้สุดเจค่ะหลวงพ่อแนะนําเพิ่มเติมอีกไหมเจ้าได้เลยนะไปแก้เรื่องติดกันติดเพลงดีขึ้นเยอะแล้วล่ะนะแต่มันยังไม่หมดทีเดียวดีกว่าก่อนนี้เยอะเลยเมื่อก่อนเพลงยันเครียดนะใช่เปล่า จริงจังด้วยเออมากไปขยันนะแต่ไม่จริงจังมากเกินไปเครียดทําเล่นๆ น, นี่เคล็ดรับเลยนะทําเล่นๆเนี่ยทําเล่นๆนะแต่ไม่เลิกทําขยันนะแต่ไม่รีบร้อนนี่มันมันชํารึงมันชําเรืองแดงไปเองเนาพะพยายามมันไม่ใช่ชําเลืองอ่ะมันจ้องมันจ้องไม่ให้กล้าสายตาเลยนะ นะอีท่าไหนก็ยังจ้องอยู่เงี้ยนะแฝดรู้ทันนะรู้ทันก็มันก็ค่อยหายหรอกกับนึกวมัสการหลวงพ่อครับฟังซีดีหลวงพ่อจากในอินเทอร์เนต็ตมาประมาณปีหนึ่งครับ mm hmm. ก็มีเรื่องจะเล่าถวายหลวงพ่อเมื่อสักเดือนกว่ า, วาที่ผ่านมารถ mm hmm. ของผมเองเนี่ยไฟไหม้น mm hmm. ะฮะ คือไฟมันก็เริ่มลุกขึ้นมาระหว่างที่ขับไปก็มีน้องที่ไปด้วยน้องก็ปฏิบัติทรรเหมือนกันทีนี้มันคือเหมือนตอนนั้นเราไม่ได้ตื่นเต้นแล้วก็ออกมาจากรถอืทั้งคู่ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีอะไรยืนรออยู่บนทางยกระดับอนะครับแล้วก็อน้องเขาส่งข้อความไปในเฟซบุ๊กก็มีคนเขาเป็นห่วงก็โทรมาถามตอนนั้นน่ะเขาเขาน้องที่โทรมาถามก็ถามว่าพี่บุง้งโอเคไหม ตอบเข้าไปว่าไม่โอเคเพราะว่าแดดร้อนเหมือนกับสภาวะณนณะนะตอนนั้นเนี่ยคือปัจจุบันมันคือเป็นทุกข์แค่ว่ามีแดดร้อนอแต่ว่าไม่ได้ทุกข์กับการสูญเสียไอ อ, ยอันนี้นี่คือผมไปมันเป็นการสังเกตดูตรงนี้ครถ้าใจเราทื่อๆ อ, อ, อยู่นะเนี่ยแสดงว่าเราไปประคองไวนะ้แต่ถ้าใจเราเป็นธรรมชาติธรรมดาโปร่งโลกเบานะ S <S <S เห็นนั่นไม่ได้จงใจนะแต่ได้ขนาด น, นี้ก็เก่งแล้วล่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือในการปฏิบัติช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเวลาที่มีอะไรมากระทบมันจะมีการกระเพื่อมมีความรู้สึกว่ากระเพื่อมถูกถูกทั้งทั้งทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีอืทีแรกก็จะเป็นเรื่องไม่ดีก่อนแต่ตอนหลังเนี่ยเหมือนเรื่องดีก็กระพื่อไปใช่ใช่ใจ ไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะมันจะกระเพื่อมทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไม่ไม่ค่อยรู้สึกเป็นกลางใช่ใหม่ๆก็ไม่ชอบหรอกรแล้วต่อไปดูไปเรื่อยเห็นบ่อยๆอย่าถลำไปดูนะเห็นมันกระเพื่อมอยู่กลางอกเนี่ยไม่เป็นไรอย่าให้จิตถลำลงไปแช่กับมันดูห่างๆแต่ดูไปเรื่อยต่อไปเห็นแต่ทุกข์นะแล้วรู้โลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยโลกมันคืออะไรคือรูปที่มองเห็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรพวกนี้ กระทบเข้ามาทีไรก็ทุกทั้งนั้นเลยไหวไหวไว อ, อแปลว่ายิปไม่เป็นกลางนี่ไม่ได้ผิดอะไรหรืออะไรนะที่ที่รู้สึกไม่เป็นกลางนี่ไม่ได้ผิดอะไรใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าถูกแล้ว<อ>ก็รู้อย่างที่มันเป็นทุกข์แล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำตอภาวนาได้เห็นมันไหวไหวได้แล้วเห็นกระเพื่อมยิบยับได้แล้วดีไปดูต่อเมื่อก่อนค<ฮ>รูบาอาจารย์ท่านเคยเล่าหลวงตามหามพัวบอกถ้าใครภาวนาเห็นตรงนี้นะท่าไล่ออกป่าเลยนะ ให้ไปเร่งความเปลี่ยน <c oughs> ของเราไม่มีป่าจะได้แล้วขอบคุณครับขอกลาบหลวงพ่อครับผมเดินทางมาจากสุราธานีะครับ <c oughs> คือไม่ได้คิดว่าวิถีทางที่จะหลุดพ้นนั้นยังมีอยู่ในโลกแล้วก็ปฏิเสธตัวเองอยู่28ปีมาได้ฟังธรรมะหลวงพ่อนี่ ดีใจมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นคำตอบว่านี่คือสดผลทางที่เราพยายามจะค้นฟ้ามาจากการรู้เฉยเฉยรู้แบบไม่แทรกแซงตัวนี้สร้างเหตุให้เกิ ด, ก, ดการรู้โดยไม่มีผู้กระทำใจนั้นจากกระเพิ่มก็สามารถรู้อยู่ได้เออดีแต่ทีนี้มันยังมีภาวะรู้อีกทีหนึ่งว่าจิตที่กระเพื่มนั้น ถูกรู้ด้วยตัวรู้ตัวหนึ่ง อ, อแต่ทีนี้พอตัวรู้ตัวนั้นน่ะจะเกิดขึ้นก็คือต้องมีผู้รู้อีกผู้หนึ่งใช่ใช่ตรงนี้นะ่ะที่หลวงพ่อสอนบ่อยๆว่าอย่าจงใจไปดูตัวรู้นะมันจะซ้อนๆไปเรียกว่าวิญญาณเป็นอนันต์เลยคือไม่มีที่สิ้นสุดเลยนะกลายเป็นว่าเราไปหลงเรื่องตัวรู้ไปถ้าตายตรงนี้นะเราจะไปพรมโลกชื่อวิญญาณนันจายตนะเตนะเพราะงั้นไม่ไม่ไปจ้องใส่มันนะแค่รู้สึกว่ามันมีอยู่ ออนะใช่ครับอใช่ครับห้ามไปดูมันครับผมจิตปกติเหมือนตอนนี้ไหมไม่เหมือนนะครับวันนี้<อ>ดีใจมากเออนะตอนนี้ปีติมันเกิดเราข่มไว้นะใช่ครับ เ, ออเรารู้ทันนะครับผมแล้วไงอีกมาไกลนะมาจากสุราชใจตั้งใจมาหาหลวงพอ่อโ ม, มทนานะของโยมสังเกตตัวหนึ่งนะ ถ้าจิตมันเหมือนรู้สึกตัวอยู่นะแต่ว่ามันสบายๆอยู่เรื่อยๆไปนะแสดงว่าไปติดวางจิตมันจะเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้านะเมันไม่เข้าบ้านจริงมันจะเห็นแต่สุขแทนที่มันจะเห็นทุกข์นะระวังตัวนี้น ะ, ะอาศัยตัวนี้เป็นเครื่องอยู่แต่ทีนี้มันเป็นความคุ้นชินเพราะความที่ยี่สิบแปดีที่ผมไปมไปหลงเส้นทางแต่ว่ามาถ้าเวลา เวลาจเจริญสตินี่ส่วนมักจะทำมักจะทําตอนเช้าเพราะว่าตอนเช้านี่จะเป็นการที่ค่อนข้างจะว่างๆผมมีอาชีพปิดยางหลวงครับแต่ก็อยากคือ ถ, ถ้ามันว่างนะกลับมารู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวไว้ <นะ S 1> ดีกว่าไปรู้ว่างยกเว้นแต่ต้องการพักผ่อนถ้าทําสมถะเนี่ยอยู่กับว่างได้นะพร้พอมเป็ดสมถะแต่ถ้าเราจะเดินปัญญาในชีวิตประจำวันเราอย่าไปอยู่ที่ว่างถ้ามันไม่ย้อนมาถึงจิตถึงใจให้มาดูกาย เห็นร่างกายมันทํางานไปมันเคลื่อนไหวไปนะแล้วมันจะไปได้แล้วเข้าไปสู่การเดินปัญญาครับผมขอบุณหลวงพ่อครับโหทนาดีอุสาวรีย์ชิงส่งการบ้านเจ้าค่ะหลวงพ่อให้ไปดูตัญหาก็เห็นไหมอยากโน้นอยากนี่เจ้าค่ะอยากมาละกี่ครั้งเยอะมากตลอดเลยเจ้าค่ะอยากเยอะแยะนะแต่มีอยากุกแบบอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางกาย อยากสนุกสนานทางใจน่อยากมีหก อ, นะอันทางใจอันสุดท้ายาค่ะก็มันก็สั้นลงแล้วก็หลงพ่อให้ไปไปเสริมปัญญาให้ด่วนนันตาส่วนใหญ่ก็แรกๆก็ไปไปช่วยเขาคิดก่อนหลังๆก็เขาก็เกิดขึ้นได้เอง่ออแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไปลงที่อนิจจังนะเจ้าค่ะเออดีลงอนิจจังก็ดี ให้มันได้สักอันหนึ่งเหน็นะเจ้าค่ะดูอย่างนั้นก็ได้เจ้าค่ะแล้วก็มีคําถามถามหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูจะดูลมหายใจแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นการซ้อนตัวรู้หรือเปล่าคือมีจิตที่ดูลมหายใจอยู่แล้วก็มีจิตอีกดวงเห็นเห็นตัวที่เห็นลมหายใจได้แต่ว่าห้ามมีตัวที่สี่นะให้มีแค่นี้ถ้ามีสีที่สี่จะเป็นจากกลุณคนนี้จะซ้อนไปเรื่อยๆ เจ้าขาประด็พี่ก็ถามได้เลยเอออันเดียวกับ<อ>นบ<อ>ทางั้นทางเราไม่ซ้อนเท่าเขาหลวงปู่ดูลเคยสอนนะบอกอย่าใช้จิตแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอดูหลวงปู่ดูลนะไม่ธรรมดา น, ะนานๆพูดสักประโยคแต่ประโยคแต่ละอันนี่นะหัวใจของการปฏิบัติเลยอย่าใช้จิตแสวงหาจิตไม่ต้องไปหามันไม่ต้องดูตัวรู้เออตัวรู้ซ้อนอีกเอามีอีกตัวก็ามีอีกตั ว, าาตวถ้าบอกหาไปอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอ อย่าใช้จิตแสวงหาจิตนะหาอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอรู้สึกถึงความมีอยู่ของมันรู้สึกถึงความดับไปของมันก็พอละเขากันบ้านต่ อ, อจ้าค่ะก็จิตตเข้าบ้านนะดูไกลเพิ่มขึ้นหน่อยโอนี่นี่ทํารูปแบบวันละสามชั่วโมงเลยนะหลวงพ่ อ, อยังเพิ่มอีกไหม่ะไม่ไหวแล้วไม่ไมสามชั่วโมงเนี่ยทําในรูปแบบแล้วอีกยี่สิบอดชั่วโมงอะ่ะ หลงมากโอ้สามรูปแบบสามชั่วโมงแล้วอีกสิบกว่าชั่วโมงหลงไม่ได้นะอีกสิบกว่าชั่วโมงเนี่ยเห็นกายมันทํางานดูกายมันทํางานแล้วแต่ไปอะไรเกิดขึ้นในใจก็เห็นเองต้องดูกายด้วยนะมันรักกายมากอ๋อโชคค่ะนั่นก็การบ้างก็คือให้ไปเจริญสติในชีวิตประจำวันมากขึนี่จับประเด็นถูกตัวอะไรเนี่ยมันอยากฟังเทศ น, น้ำระส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะมีสองคำถามเจ้าค่ะคำถามที่หนึ่งก็คือเวลานั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งมันเฉยควรจะทํายังไงต่อจ้ะค่ะก็ออกมาเดินปัญญานะถ้ามันนิ่งช่วงครั้งช่วงคราวพักผ่อนมีเรี่ยวมีแรงแล้วมันเคลื่อนไม่เป็นไรแต่นั่งทีไรนิ่งทุกทีเนี่ยออกมาดูร่างกายไว้เห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูค่อยๆฝึกเนี้ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูลมหายใจก็หาย ลมหายแล้วร่างกายยังอยู่ไหมอยู่เจ้าค่ะเออเห็นร่างกายมันนั่งแล้วก็กลุกขึ้นมาทำงา น, นเคลื่อนไหวไปเลยลเห็นร่างกายเคลื่อนไหวกวาดบ้านถูบ้านเลยนะใจเราเป็นแค่คนดูสบายๆอย่าติดสมาธิคาถามที่สองเจ้าค่ะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกก็เลยอยากจะได้กันบ้านเพิ่งเคยอะไรนะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกเจ้าค่ะก็ที่ทาอยู่นั่นแหละคือกันบ้านลนะ่ะไปทาต่อนะแล้วก็สังเกตใจ ตอนนี้ย่อหย่อนไปก็หลงไปตอนนี้ตึงไปไปเพ่งไว้ของคุณเวลาลงมือปฏิบัติมันยังเพ่งแรงนะก็ค่อยคลายออกเขรู้ทันว่าเพ่งอยู่ก็ค่อยๆ ค, คลายไปแล้วก็ทำงานอะไรต่ออะไรในชีวิตประจำวันเนียเรารู้สึกเห็นร่างกายมันทำงานใจเป็นคนดูนะเรื่อยๆไอ้นี่จะฟังเทศเเก็เงียบๆหน่อยสมัยพุทธการมีนะั้างข่าว อยู่ในถ้ำพระอยู่ในถ้ำสวดมนต์ในข้างข่าวฟังจิตรวมรวมหัวทิ่มลงมามันฟังก็เพลินนะพระสวนสบายใจตกลงหัวกระแทกพื้นตายห้เป็นเทวดาเลยแล้วจิตเป็นกุศลในขณะนั้นขอบพระคุณเจ้าค่ะคือว่ า, อาหนูช่วงหลังๆ่ะค่ะก็เห็นที่เห็นบ่อยจนใจไม่เป็นกลางเห็นอะไรบ่อยเห็น คือเห็นว่าการกระทําของเราทุกอย่างเนี่ยมีกิเลสอยู่เบื้องหลังใช่ใช่มันจะมีอัตตาน่าเกลียดตัวเองเร่งมากเลยจริงจริงหลวงพ่อเห็นด้วยก็เหมือนกับว่าคนอื่นที่ัวละเพราก็เหมือนกันแหละนะน่าเกลียดเหมือนๆกันเนาะเขาเรียกว่าเพื่อนร่วมทุกข์เลยคือเหมือนเราทําอะไรเนี่ยแทบไม่มีความบริสุทธิ์ใจอยู่เลยนะคะใช่คิดดูนะขนาดใจเราทำอะไรก็ยังแทรกตลอดนะธรรมดาคนอื่นก็เหมือนกัน อย่นี้ก็จะมองกันด้วยความเข้าใจนะไม่ค่อยโกรธกนื่นเท่าไหร่เพราะมันทำเพราะกิกเลสมันพาทําเหมือนเหมือนกันทีนี้เหมือนใจพอใจไม่เป็นกลางแล้วค่ะมันก็กลายเป็นว่าปฏิบัติแล้วมันจะทุกเดียวเพราะเราเห็นทีทนี้หนูก็เลยคิดเอาเองว่าเป็นเพราะว่าเราถาดกับลังสมาธิคือถ้าภาวนาเจริญปัญญาไปนะใจฟุ้งซ่านขึ้นเมื่อไหร่ทําสมถะทําสมถะนะวิธีทําสมถนะมก็รู้อารมณ์อันเดียวที่มีความสุขรู้ไปสบายสบาย อย่าอยากสงบนี่เคล็ดลับนะต้องไม่อยากสงบนะทําสบายๆถ้าสบายๆแป๊บเดียวก็สงบนี่เหมือนเห็นทีเห็นบ่อยนี่ดีแล้วแต่ว่าเราต้องเป็นกลางกับมันไม่ใช่เราต้องเป็นกลางเราสั่งไม่ได้มันไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางะนะแล้วมันเป็นกลางของมันเองเราทําไม่ได้ทีนี้ข้อสองให้รูว่า พอหนูจะเลิกปฏิบัติมันเลิกไม่ได้แล้วมันเหมือนมันออโต้เองเออนั่นแหละฝึกอย่างนั้นดีแล้วไม่ต้องไปเลิกนะเราไม่ต้องพยายามให้มันเลิกออโต้เวลาปฏิบัติจนเป็นออโต้แล้วเนี่ยนะจุดที่เราจะพักได้เหลืออยู่ที่เดียวคือสมาธิคือสมถะคือสมถะกรรมฐานเหลืออันเดียวเลยเพราะอะไรสติสมาธิอะไรมันปัญญานะมันหมุนจีทั้งวันทั้งคืนนะไม่มีหยุดพักแล้วจะเหนื่อยเหนื่อยแล้วทุก ยากแค้นลำเคินมากเลยเะนั้นจุดที่จะพักได้เหลือที่เดียวคือสมถะถ้ะถาทำสมถะพอจิตใจได้พักนะจิตถอยออกมาเดินปัญญาต่อก็จะขาดได้ง่ายคือวันนี้ที่มาก็เหมือนกับเราตอนแรกเราจะเริ่มปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามันเห็นศัตรูเยอะแต่มันสู้ไม่ไหวเจ้าคะ่ะไอ้ยอมแพ้ไม่ได้นะไม่งั้นมันก็ย่ยํายีเราไปตลอดถ้าเราไม่สู้นะเราต้องเป็นทาตมันตลอดการ สรุปว่าการบ้า น, นคือว่าไปชาตินี้ยังสู้ไม่ไหวชาติหน้าสู้อีกต้องถือหลักนี้เลยนะถึงวันหนึ่งก็ชนะมันจนได้แหละต้องเข้มแข็งท้อใจได้แต่ไม่เลิกขี้เกียจได้แต่ไม่เลิกนะเบื่อก็ได้แต่ไม่เลิกแล้วพอภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะมันจะอัตโนมัติมันเลิกไม่ได้เออเลิกไม่ได้ต้องฝึออกที่หลวงพ่อบอกต้องฝึกอยจนอัตโนมัตินะไม่งั้นอริยมรรยาไม่เกิดหรอก งั้นพอมันอัตโนมัติแล้วหาทางให้มันเลิกอัตโนมัติโ ง, โง่โงนะเข้าขั้นโง่เลยนะมันปิดประตูของมรรคผลผนิพพานเข้าพักซะนะทำ ส, สมถะก็มันก็ไปต่อการในมรรการหลวงพ่อค่ะเมื่อแล้วมาส่งกันบ้านแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าเราติดนิ่งก็ก็ตอนนั้นก็ยังไม่ไม่รู้ว่าตัวเองติดนิง่งจนจนมานั่งกลับมานั่งนึกว่าเออ จริงนะเพราะว่าหนึ่งเ่ะเนื่องจากว่าพอเรารู้ปุ๊บเราก็ละพอละปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไปอยู่ว่างๆน<ช>ี่เราก็เลยดูว่าเออเนี่ยคือคือเป็นกลางใจตอนนั้นคิดว่าเออนั่นคือเป็นกลางก็เลยปล่อยมันอย่างนี้แต่ก็คิดคิดว่าเอ๊ะแต่มันมันเหมือนกับมันไม่เดินเป็นยาเพราะมันนิ่ง <Jen? S 1> แล้วมันเงียบไปแล้วพอหรวงพอบอกเออมาดูตัวนิ่งพอมาเห็นปุ๊บเราก็เห็นว่าพอกิเลสมาเราก็รู้สึกรู้สึกเราก็นิ่งตอหนิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเออเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็ลเลย ก็มารู้ตัวนิ่งพอมารู้ตัวนิ่งปุ๊บเนี่ยมันกับจิตมันก็จะแบบมันมันเหมือนกับมันมันคลายออกคลายออกมานิดนึงมันก็รู้สึกว่าแบบมันมันมีเหนกับมีอะไรยุกยิอยู่ในในจิตนั่นแหละดีพอนาเป็นหน้ามันเห็นตัวยุกยิบแล้วตัวนี้มีทั้งวันเลยใช่แล้วก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันอิจฉาพออีกฉาแล้วรู้สึกบอกก็เลยมาคิดต่อว่ามันอิอัดเพราะว่าเราเริ่มไม่พอใจอก็ เราพอไม่พอใจมันก็จะกลับมาหยุดมันก็จะวิ่งกลับมตัวนิ่งอีกนี่ไงเพราะว่าเราติดสมถะะนะพ อ, อ, อมากระทบอะไร น, นิดหนึ่งไม่พอใจอะ่ะนี่กระทบตัวยุกยิกนิดเดียวน ะ, ะก็ไม่พอใจธรรมดา<ะ>ก็อดทนเอาแล้วก็เลยมานึกอีกคำหนึ่งคือคําว่าให้เจริญสติแทรกเลยตอน<ะ>นี้ก็พยายามที่จะพอติกนิ่งแล้วรู้ก็จะมาเจริญสติแทรอันนี้คืออันนี้คือถูกแล้วใช่ปหมค ะ, ะดีขึ้นเยอะเลย นะแต่ยงแต่ก่อนนะมันไปไม่ได้นะก็อยู่แค่นั้นนะกี่ปีก็อยู่ยงั้นนะชาติหน้าก็อย่างนั้นอีก น, น, นะถ้าอย่างนี้มันไปได้ละสังเกตไหมว่ามันเริ่มแสดงไตรลักษณ์ได้ล้วคือมันเหมือนกับยังคิดคิดอยู่ว่าเออต่อไปก็จะเห็นนะสุขมาแล้วก็ไปทุกมาแล้วก็ไปดีร้ายมาก็ไปมันแสดงให้ดูแต่ถ้าติดนิง่งไม่มีอะไรมาอะไรไปว่างๆเราเลยไปไปพุทมธโลกนะ <c oughs> กราวนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้หนูตื่นเต้นค่ะห น, ห, นหนูขอหนูขอขมากับกรรมใดๆที่ได้ล่วงเกินไว้ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็หลวงพ่อค่ะแล้วก็ปกติหนูเริ่มฟังซีดีหลวงพ่อตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าค่ะแล้วก็ปกติเนี่ยหลายปีมาแล้วค่ะหนูจะท่องอิติปิโสอันนี้ท่องจนหมืเป็นความเคยชินได้ดีนะ แต่ว่าเราไม่ท่องให้นิ่งๆเฉยๆหรอกนะต่อไปนี้ท่องแล้วเราก็เห็นรู้ทันจิตของเรารูา้ท่องเป็นปกติจนบางครั้งขับขับรถอยู่ก็ท่องเจ้าค่ะดีๆแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเมื่อประมาณสองสามเดือนที่แล้วจ้ะค่ะมีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถอยู่แล้วก็เหมือนก็ฟุง้งซ่านค่ะคิด่นคิดี่ไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆบทอิติปิโสก็พุดขึ้นมาเออดีนะแล้วก็ หนูเห็นช่องว่างเล็กๆะระหว่างสองสิ่งนี้คะนั่นแหละ ร, ระหว่างฟุ้งซ่านกับรู้สึกตัวมีช่องว่างมาขั้ น, นตัวนี้เรียกว่าสันตติขาดนะนั่นมันจะเห็นเลยว่าจิตฟุ้งซ่านก็อันหนึ่งนะจิตที่ส่วนมนอยอยู่ก็อันหนึ่งดีดีมาก ว, วันรุ่งขึ้นหนูก็มีอยู่วันหนึ่งหนูขับรถอยู่เหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าจะฟังซีดีหลวงพ่อตอนขับรถคะ่ะแล้วก็เห็นโกรธ โอดรถกันข้างหน้าค่ะแล้วก็เห็นเหมือนดาวหางค่ะสีดำๆผุดขึ้นมาตรงกลางอกใช่ใช่นั่นแหละกีเลสผุดขึ้นกลางอกนั่นแหละแต่หลังจากนั้นหนูก็เหมือนจะไม่เห็นอะไรไปเลยแต่ว่าคืออาจจะเพราะว่าตัวตัวเราเองหย่อนด้วยเพราะว่าเหมือนไม่เคยคืออย่าอย่าอยากเห็นน ะ, ะอะไรที่เราเคยรู้เคยเห็นนีอย่าไปอยากเห็นอีกถ้าอยากไม่เห็นแล้วเพราะรตอนที่รู้ที่เห็นนี่ยตอนที่ไม่ได้อยากค่ะใช่ค่ะ ไม่ทันระวังตัวเวลาจะเกิดมากเกิดผลก็ตอนไม่ทันตั้งหลักนะถ้าตั้งท่าเอาละอีกห้านาทีจะบรรลุมันมีทางนะฟุ้งซนะ่าก็หลังจากนั้นก็มีอยากเห็นแต่ไม่เคยเห็นไม่เห็นหรอกนะข้าใจมันอยากให้รู้ว่าอยากค่ะเราก็จะมีความรู้สึกแบบแต่ว่าจะมีแค่ความรู้สึกว่าขับรถอยู่แล้วเวลางุนมันจะอึดอัดที่กลาง อ, อกอเคยแบบเหมือนหายใจไม่ออกมากแสดว่าโกรธมากและขมไว้ ถ้าไม่มนะมันไม่อ่นอาจอยู่กลางอกมันจะพุ่งขึ้นหัวเรียกว่าเลือดขึ้นหน้ า, นะาแล้วถ้าเวลามีความสูงมันก็เกิดที่นี่เหมือนกันนะเวลากูสนเกิดก็เกิดที่กลางอกนี่เหมือนกันหลวงตามหาบัวเนยบอกทาแท้เกิดขึ้นกลางอกอะไรที่เป็นทาแทนะ้อากูสนเป็นทำแท้นะกูสเป็นทำแท้นะักมรรคผลก็เป็นทาแท้แล้วก็คือล่าสุดล่าสุดเมื่อ หลังจากที่หนูหย่อนไปสักพักเนึ่งอะค่ะล้าล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้หนูพอดีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนนึงตอนนั้นเนี่ยมันมีกิเลสตั้งแต่ของโทสะโมหะโลภะสุดท้ายอัตตาตัวตนทุกอย่างเลยค่ะแต่หนูไม่เห็นสักอย่างจนกระทั่งผ่านไปครึ่งวันทะเลาะกันเรียบร้อยหนูก็มานั่งพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูถึงได้เห็นว่าอ๋อหนูมีกิเลสทุกอย่างเกิดขึ้นแต่ว่า ที่ฝึกมานิดหน่อยเงี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเรามันยัง <c oughs> ไม่พอนะต้องฝึกอีกค่ะแล้ว ก, ก็เลยเห็นโทษของมันก็เลยตั้งใจว่าจะขอเวลากิเลสเกิดนะมันจะนำความทุกข์มาให้ะจะนำความทุกข์มาให้นี้เราไม่เห็นว่ากิเลสเป็นศัตรูของเรามันทำความทุกข์ให้เราทั้งวันทั้งคืนเลยน้าเราล้างกิเลสลงไปนะใจยังไม่มีความทุกข์ละดีไปทาต่ออย่าให้ฟุ้งนะ ฟุ้งซ่านบ่อยมาก <c oughs> เออนะฟุ้งไปทำความสงบเข้ามาบ้างเป็นคลาล์า <c oughs> แต่อย่าสงบจนซึมเหมือนคนข้างๆนะออปกติเวลาหนูนั่งสมาธิอะค่ะก็หลายครั้งที่หลับค่ะแต่ว่าออช่วงที่เคยนั่งบางครั้งก็คือนั่งแล้วก็จะพยายามเหมือนเอาจิตไปดูขาดูแขนตัวหรือบางครั้ง เคยเห็นความมืดมืดดำดำแต่ว่าไม่กล้าเดินเข้าไปไม่ไ้อยากเข้าไปสิเรื่องไรเราจะไปที่อื่นเราอยู่ที่ตัวเองนี่เห็นไปเขาไปเจอยมบาบานเท่าไหร่เห็นมันเป็นเหมือนจักรวาลนะคะมืดมืดกล้องไแต่ไม่กล้าเดินเข้าไปใช่อย่างนั้นเรียกว่าโลกกันเป็นช่องว่างระหว่างจักรวาลเราหนูขอถวายการปฏิบัติภาวนาเป็นพุทธบูชามบูชาสังคบูชาแล้วก็ สาธุนะสาธุถูกใจนมรมส ก, การหลวงพ่อครับผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติได้ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับในชีวิตประจำวันผมจะปฏิบัติในรูปแบบสังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันดูออกไหมนะดูออกครับทําถูกแล้วนี่ครับคือจะเรียนถามว่าในชีวิตประจําวันเนี้ยผมจะปฏิบัติโดยการคือในรูปแบบนะครับจะสวดมนต์หรือเดินจงกรม ระหว่างปฏิบัติเนี่ยถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็จะรู้รู้แล้วจะปล่อยปล่อยเแล้วจะวางแต่บางครั้งให้เขาวางเองนะอย่าไปห้ามมันมันจะดับไปเองแต่บางครั้งความความคิดมันเกิดไวมันจะรู้ไม่ทันบ้างก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าถ้ามันฟุ้งซ่านเราก็ทําสมถะพุทโธพุทโธไปอะไรเงี้ยแทนที่จะให้คิดสเปสป่าก็ให้มาคิดพุทโธพุทโธไปจะเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้สภาวะของผมเนี่ย มีตัวรู้เกิดขึ้นหรือยังครับมีแล้วสามารถแยกธาตุแยกขันได้บ้างไหมไม่รู้เหรอรู้แล้วมาแกล้งถามเขารู้บ้างแต่ว่าเพื่อความแน่ใจครับแน่ใจเหอะครับท่านครับข้อต่อแต่ว่าต้องระวังตัวหนึ่งนะอย่าให้เหลือตัวนิ่งค้างไว้มันมีการประคองคือผมเป็นคนที่มีโทสะแรงอนะครับองค์พ่อทีนี้ในชีวิตประจําวันเนี่ยเมื่อโทสะเกิดขึ้น ผมก็พยายามจะรู้รู้ทันแต่ส่วนมากก็ทันบ้างไม่ทันบ้างทีนี้ขอเรียนถามหลวงพ่อว่าผมต้องเพิ่มองค์ธรรมตัวไหนครับเพื่อลดโทสะตัวนี้ถ้าโทสะเกิดขึ้นแล้วสติรู้ได้นะก็รู้ไปไม่ต้องทําอะไรแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆ ร, รุนแรงมากจริงเจริญเมตตาไปเวตีเจริญเมตาเเมตาเนี่ยให้สงสารตัวเองก่อนเมตตาตัวเราเองโอ้เวลาโกรธนะไม่สบายใจไม่มีความสุขต่อไปก็เมตตาคนใกล้ตัวเรา เวลาเราโกรธเราก็ชอบอรารวาสกับคนใกล้ตัวเพราะมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะค่อยๆต่อไปค่อยขยายไปสู่คนที่เป็นกลางสุดท้ายเลยพอคั้นปรามาจารย์แล้วกักบคนที่เกลียดก็ทําได้นะแล้วขั้นสุดยอดเนี่ยจะไม่มีขอบเขตมันจะเปลี่ยนจากเมตตาพรหมวิหารที่เจาะคนนะเป็นเมตตาปรมัญญาตอนนั้นนะจิตจะสว่างเป็นวิธีทำสมถะที่แปลกอย่างหนึง่งนะจะต่างกับ สมถะทั่วๆไปที่เพ่งอะไรต่อไรนะถ้าเพ่งรูปเพ่งไฟเพ่งอะไรเนี่ยจิตจะรวมเข้ามาแต่ถ้าแผ่เมตตาเนี่ยจิตจะว้างออกไปก็มีความสุขคนละแบบกันถ้าขี้โมโหก็จเจริญเมตตาเยอะๆโมโหน่าง่ายนะเพราะเป็นสภาวะธรรมที่ดูง่ายที่สุดในบรรดานามธรรมทั้งหลายหลวงพ่อเนี่ยเป็นพวกโทสะจริตไดกยิไหมพูดเร็ว แล้วก็ไม่นั่งนิ่งนะให้นั่งเรียบร้อยเหมือนครูบาอาจารย์บางองค์ทำไม่เป็นหรอกก็มันยุกยิ้ม ย, ยอย่างนี้มาแต่เกิดเลยใจมันร้อนนดูง่ายนะไม่ใช่ดูยากคนไหนโทรสาจริตนะช อ, ชอบชอบแต่อย่ามาโทรสะใส่เราก็แล้วกันขอเรียนถามอินดินครับหลวงพ่อครับสภาวะจิตผมตอนนี้ขณะที่จับไม้นี่นะครับตอนนี้ถือว่าผมเพ่งหรือกดไวหรือเปล่าครับใช่ <c oughs> มันมีน้ำหนักไหมล่ะคือมันมันเบาวกว่าตอนที่หลวงพ่อทักที่แรกก็ยังมีอยู่ถ้าเพ่งแรงก็หนักแรงเพ่งน้อยก็หนักน้อยไม่เพ่งก็โปร่งแต่ถ้าโปร่งเกินไปไปหลงว่างทีนี้เพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติของของผมนี่ผมจะต้องเพิ่มตัวไหนเราดูสิอะไรที่อกุศลอะไรยังมีนะละซะกุศลอะไรยังไม่ได้ทำก็ทำซะ ทำในแต่ละวันนะรักษาศี่ท่าทำในรูปแบบเจริญสติในชีวิตประจำวันทำให้ได้แค่นี้มันก็ไปได้ ล, ละถ้าทำแค่นี้ก็คือหมดเวลาละ ว, วันหนึ่งยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดน ะ, น ะ, นะัน้นยกเว้นของคุณดีนะคุ ณ, คณจุดอ่อนตัวหนึ่งก็คืออาจจะเป็นคนจริงจังไปหน่อยตัวนี้อย่าจริงจังมากขยันปฏิบัติคือทาเหตุนะอย่าไปหวังผลนะอย่าไปรีบ เราะโทรศาพเนี่ยใจใจร้อนจะเอาเร็วใจเย็นเย็นยิ่งรีบยิ่ ง, งช้าขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับกลับนมันสการค่ะหลวงพ่อหนูเพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกอ่ะค่ะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สองเดือนแล้วก็คือปฏิบัติ ด, ด้วยอะค่ะอืก็คือหนูอยากให้หลวงพ่อแนะนําว่ากรรมฐานอันไหนที่เหมาะกับหนูอะค่ะทำไมรู้เหรอ ระหว่างดูกายก็ดูใจชอบดูอะไรอ่ะดูใจค่ะใช่เราเป็นคนช่างคิดคนช่างคิดก็ดูจิตไปนะคนรักสวยรักงามก็ดูกายไปเราเป็นคนช่างคิดเนี่ยจิตเราจะเปลี่ยนตลอดใช่ไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยจะเห็นไตรลักษ์ดูอย่างนี้นะดูไปดูจิตไปถ้าฟุ้งซ่านเข้ามาก็รู้ทันขอบุตราการหลวงพ่อครับ ผมเพิ่นเคยเห็นหลวงพ่อเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะหลวงพ่อเขาเพิ่งเห็นโยมครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักเนอะพอดีผมก็เริ่มปฏิบัติมาตั้งแต่วิจิกาห้าสี่นี่ปฏิบัติมาเรื่อยๆพอดีน้องชายก็เอาซีดีหลวงพ่อมาให้ฟังเมื่อทุกวันเดือนกุมวามันธ์ฟังแล้วปรกอบปฏิบัติเรื่อยมาก็ถูกนะ ทำนนถูกะอะตอนนี้ผมเป็นไงมั้งก็โอเคดี <c oughs> <c oughs> สังเกตไหมว่าเราเริ่มรู้ทันตัวเองขึ้น <c oughs> สังเกตไหมว่าความทุกข์มันน้อยลงมันสั้นลงค่อยๆดูไปใช่ครับดีทําถูกแล้วละ่ะที่นี้ผมทำหลวงพ่อนิดหนึ่งผมเคยนั่งสมาธิแล้วนั่งไปจนลมมันดับอะไรนะไม่ได้หยุดนั่งไปจนลมดับเออนะลมดั บ, อ, ดบอ่ะกอนที่จะลมดับมันมีแผวเบาอยู่สามสีครั้งอืม ผมลมดับแล้วผมก็รู้กายรู้ใจเอรู้ว่าจิตไปจิตมารู้กายดูจิตช่วงระหว่างที่ดูนี่ยในกายมันสว่างวิวาไปหมดเวลาเดินปัจจุบันเนี่ยผมต้องการยจะกลับไปตรนนั้นนี่มันกลัไม่ได้เพราะอะไรเหมือนกันเลยทุกปัญหาทุกคนเลยนะเวลาเจออะไรดีๆหรืออยากได้อีกจะกลับไปอีกกับไม่ได้ไม่ได้เพราะว่ามันโลภไอตอนนั้นไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าตั้งใจไม่ได้กินหรอกพอหลังจากล้มดับแล้วผมก็ รู้สึกกัมันเดียกว่ามันสุกมากๆกันนะใช่มันเข้าอับนามันสุกมากๆคือว่าขับรถไปทั้งในมันก็มีความสุกไปหมดนะจิตมันท่งส่งสมาธิอยู่ครัทีนี้พอมารู้สึกตัวทิงนอ่รู้จิตมันว่างนอกๆอะไรนะจิตผมเคยว่างนอกๆไหมโอ้ใช่แต่ว่าไม่มากนะปัญหาไม่มากของโยมมันยังเดินปัญญาได้มันยังกลับมาเห็นจิตเกิดดับได้อยู่ ะใช้ได้ภาวนาดีเมื่อประมาณทักสองอาทิตย์มานี่ผมวันนั้นมันทุกข์มากอะ่ะทุกอยู่สองอาทิตย์ฟ้าทุกแบบท่านนี้เดาว่าผมแทบจะกระโจนอกมาเลยอ่ะทุกอยู่มากเลยพอดีเมื่อประมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมนั่งนั่งสมาธิดูกายดูจิตปรากฏหลงรูปหลงปูมันปรากฏทักมาอืมไม่เห็นข้างหน้าอนเนี้ยอืมผมก็ไปหยิบมาดูชที่มันนึกถึงนคำหลวงพ่อที่ว่าผู้ที่ผู้ดุลบอกว่าแม้แต่จิตก็มาให้นิยึดเนี่ย นี้ผมไปยึดอันนี้มาตั้งแต่ยึดยิบรูปนี่ยมาดูรูปผู้มั่นมาดูเนี่ยอืเป็นอะไรไปเลยป้องอะไรนะผมมันเรียนปฏิบัติไม่เหมือนเดิมทิบเร็วเห ม, มือนค<ม>ิดไม่มีแรงคะออับอถ้ า, ถ, าถ้าใจเราฟุ้งออกไปก็แรงตกนะงั้นเราคอยรู้ทันจิตไปเรื่อยเลยนิมิตเกิดเนี่ยไม่สําคัญของโยมสมาธิเยอะนะอาจจะเห็นนิมิตโน่นนี่นี่ไปเรื่อยแต่ว่าไม่ว่านิมิตอะไรเกิดเนี่ยให้คอยรู้ทันจิตตัวเอง แค่จิตดีๆก็รู้จิตไม่พอใจก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันที่จิตเราหรือสงสัยว่าจะทํำยังไงดีนะนิมิตอันนี้รู้ว่ากําลังสงสัยนิมิตไม่เอานะรู้ทันจิตไว้ได้ระวังการนั่งสมาธิกับการเดินนี่ยังไงดีเพื่อนถนัดอะไรเอาวันนั้นอนะ่ะทุกก้าวที่เดินรู้สึกตัวไปตลอดเวลาที่นั่งรู้สึกตัวไป เ, เหมือนกันผมเดินแบบไปไล่ไปน้ำผมเดินแบบไปทไปไล่ไปน้ำพนดีทำไม้มีท่าทางอะไร ไปไปไล่ไปนาก็ไปเห็นเป็นไรเลยไปเข้าไปก็คือมิติเดินไปอย่างเดียวใช่นั่นแหละดีคือมีตางอะไรฮออดีนะดูไปเห็นร่างกายมันเดินใจเราดูครนะกิเลสอะไรเกิดก็ค่อยรู้เอาเท่านั้นแหละเพราะนาดีเชลายมเนี่ยไม่คิดมากเพรานี้ผมปฏิบัติโดยไม่มีครูบาอาจารย์น่ยฟังจากซีดีหลวงพ่อที่นี่ผมได้อาศัยต้นไม้หน้าบ้านเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวเองเลยเป็นครูบาอาจารย์แล้ว นะยังเป็นการคิดอยู่แต่ไปดูของจริงเลยใช่ตนนั้นผมปฏิบัติรู้สึกเองใช่อ๋อหนักมากเลยอือืหนักแน่ น, ม, นมดผมนั่งอยู่หน้าบ้านก็มองไปเห็นต้นไม้ต้นไม้ตอนนั้นทไมมันเบากว่าเราอีกใช่ใช่เออถูกหลวงพ่อเคยเห็นภูเขานะเฮ้ย hey, มันเบากว่าเราไว้ใจเราหนักอ่ะครับภูเขาทั้งลูกเลยไม่หนักอ่ะครับนี่เราทำผิดแล้วตอนนั้นบวชภรรษาแรก นาที่สวนโพมีภูเขาสามลูกแนละ้วสวยเรียงลูกไล่ๆกันเท่าๆกันนะเรียงสวยใช่พอตานาะเร่งความเพียรใหญ่เลยใจหนักนั่นเร่งใหญ่ของเร่งใหญ่เลยเออนั่นะแหละพอใจมันหนักนะไปเห็นภูเขาเห้ภูเขาไม่มีน้ำหนัก ต, นต้นไม้ไม่มีน้ำหนักใช่นักอึ้งเลยอะเออใช่นั่นะแหละอย่างน่าฉลาดชมอย่างเงี้เหมือนชมตัวเองด้วย <laughs> <laughs> ดีไปภาวนาอีกนะ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 ราบสิ้นการละนานเนอรยถ า, าวอริวหาปูราปริปุเรนตีสาคารังเอวาเมวาีวอยโตทินัางเปตานางอุปกัะปติอิชิตังปทิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปณรโสยถ า, ามณีโชติรโสยถ า, าสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรคโควินัสตุ มาเตภวัตวันตระโยสุขีที่คายยโกภวะอภิวาธานาสีลิสนิจจังุทธาปจายิโนจ ต, ตารโรธรมาวัันตีอายุวันโนสุขังพระลัง<า>ดำรงชีวิตด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญานะ<ส>อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเมื่อไร่เราไม่รู้หรอกนะพักเพียรเข้า